ในวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเราไม่จํากัดอีรยาบทคืออยู่อิริยบทไหนแล้วก็กําหนดรู้อิริยบทนั้นมันเคลื่อนไหวที่ไหนแล้วใจไปรับรู้ที่นั่นกายเคลื่อนไหวใจรู้รู้ในส่วนที่ห ย, ยาบๆก่อนที่แรกเนี่ยอย่างยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแล้วเรามาเจตนาทําให้มันรู้ ถ้ารู้แบบแบบที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอย่างลมหายใจแบบอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันลืมง่ายเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแต่ถ้าเราตั้งใจในอริยบทที่เราทําเองเนี่ยมันจะง่ายคือถ้าไม่ทําก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ถ้าเราตั้งใจและเลืกรู้อย่างยกมือสร้างเหวะถ้าความเพียรมันอ่อนมันย่อหย่อนก็เหมือนมันเลิกทําไป ใจก็ไม่ตื่นถ้าเราเจตนาทำเนี่ยเราเรายังรู้ว่าเราสติเรามาประคองไว้กับอันนี้นะประคองสติไว้กับการเคลื่อนไหวอันนี้ละเอียดลงละเอียดลงสติมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับยกมือก็ไม่ได้ยกมือมือมันไปเองมันเบา เท้าเบามือเบาเดินคล่องตัวเหมันไปเองโดยธรรมชาติเราเป็นผู้ดูเฉยๆประคองสติเหมือนสติเหมือนจิตเราอยู่กับมันถ้าทําแบบลมหายใจพออารมณ์มันไปหนี้เหมือนลมหายใจขาดพุ๊บไปเหมือนไม่มีลมหายใจคือมันเบาไปเลยแต่ก่อนนั่งตามรูให้ยใจเข้าหายใจออก พอไปถึงช่วงหนึ่งการรู้กับการเคลื่อนไหวนี่มันเป็นอันเดียวกันมันจะเหมือนลมหายใจขาดไปนี่ก็เหมือนกันเหมือนเราไม่ได้กำหนดรู้แล้วทีนี้มันเป็นเองเดินเคลื่อนไหวยังไงใจมันก็อยู่อได้บดย่อยย่อยอย่างเราจับขั น, นจาบน้ํา ทำอะไรรีบทมันเย่อๆยเยนะี่ยคู่แขนเหยียดแขนเนี่ยตากับปิ๊บตาเราจะรู้สึกทั้งที่เราไม่เคยเจตนาที่จะตั้งใจรู้สึกแต่สติที่มันมากขึ้นมากขึ้นมันสังสมขึ้นเนี่ยมันจะมีความละเอียดรับรู้วปริสงบทนั้นเรียก ว, ว่าเกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วล้อม นะรู้ตัวพร้อมพรอมไปกับอริยบทพร้อมกับอากับกิริยาที่เราเคลื่อนไหวมันรู้พร้อมเดินไปมันก็เกิดการรู้ขึ้นมายืนเดินนั่งนอนนะที่สุดมันก็จะรู้สิ่งที่มันละเอียดลงไปอีกรู้ไหนรู้ความคิดความคิดนี่ก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะที่มันแว็บไปเว็บมาเนี่ย ความคิดอันนี้มันอยู่นอกๆอันอนี้แต่ถ้าสติมันมากมันมันจะรู้ก่อนที่มันคิดืรอรู้ลงไปถึงสมมติฐานต้นเหตุบอกเกิดของความคิดมันะ น, น้ำหนักของสติมันลงไปรู้ไปเห็นข้างในคือมันเฝ้าดูได้คือคนมีสมาธิก็จะเห็นแบบนั้น สติเนี่เหมือนไฟนะมันไฟจริงๆเนี่ยแต่ไม่เหมือนไฟฟ้าบ น, นีไฟฟ้าเนี่ยมันมีแสงสว่างแต่บางทีมันก็ไม่มีความร้อนเป็นสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะมีปัญญาในตัวคนมันเองรู้ด้วยมีปัญญาด้วยในตัวพอมารู้อะไรทุกประกับพร้อมกับ ก, บการรู้การเห็นไนั้นได้ด้วยคือสว่างด้วยแล้วก็ไหม้ด้วย แต่ถ้ารู้เฉยๆรู้เห็นเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าได้แต่แสงคือแต่ได้ดูวงตาแต่ไม่เกิดปัญญาคือปกติสตินี่มันเป็นฌานไปในตัวฌานคือมันเพ่งมันเผากิเลสไปในตัวได้ด้วยแต่ถ้ามันไม่ทําหน้าที่อันนั้นก็แสดงว่าสติเราได้แต่ตัวระลึกรู้มันยังไม่เปลี่ยนสถานะ จากสติธรรมดามันเป็นฌานเลยคือดูอะไรแล้วคืออันนั้นก็ไม่ถูกไม่ไม่ถูกเผางั้นเราปฏิบัติทำเจริญสติแล้วเรียนรู้มากๆแล้วให้มันกลายเป็นเลือดสีตาไฟมองไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ถูกเผาเป็นจุนวิจุนไปเผาเกิเลสเผาความคิดความปรุงแต่งพวกนี้ยพอมันง่วงมาเห็นง่วงง่วงก็ถูกเผา ตัวสติจริงๆจะมีอนุภาพแบบนั้นไม่ใช่รู้เฉยๆโอ้รู้มันคิดแต่มันก็คิดอยู่ลอย น, วนอยัวลอู่เขาว่าเออแต่รู้เฉยๆมันคิดก็รู้รู้เฉยๆอันนี้คือฝึกใหม่ก็จะต้องทําแบบนี้แต่นานๆไปเนี่ยมันมันไม่เฉยๆอนุภาพของสติที่มันมีเนี่ยมันจะเกิดการแผดเผ า, าไปด้วย มาคนเผาได้ทีเดียวแต่มาคนเผาทีละน้อยละน้อยละน้อยวันละนี่ละหน่อยขยับไปขยับไปแต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้มีสมาธิอยู่เหมือนไฟมันติดเชื่ออยู่แต่มาคนเผาทีเดียวมันเผาเผาอย่างเผาวันที่มันพันเกี่ยวต้นไม้เอะไ้แล้วเราตัดข้างล่าง เราไม่ต้องไปลื้อออกนะแต่มันก็เหี่ยวเฉาตายอยู่ข้างบนเนะ่ยแต่บางคนไปเก็บใบมันออกที่ร้านที่ร้านที่ร้นแต่ไม่สามารถที่จะตัดข้างล่างได้เวลาเผาเหมือนเผาทีเดียวรปลุกมันไม่แล้วมันล่วงลงมานะแลยเ้ิมเผาไม่เร็วด้วย ใจเราก็เป็นแบบนั้นแหละและลึกรู้ที่แรกก็เผาได้แต่ความคิดน้อยๆความคิดน้อเห็นปุ๊บมันก็หายไปความคิดกหายไปมันหายไปมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มไปเหน็นรากเง่าของความคิดพวกเนี้ยที่มันอยู่ข้างล่างที่มันคิดไม่คิดให้เราเนี้ยที่แรกก็เห็นแต่ข้างนอกมันรากเง่าของกาลคำเขาเรียกว่ากามมาสาวะ ด่างเงของภพดนะ้ยวยพภาวสาวะคำว่าภพหมายว่าจิตที่มันเคยเก็บไปเนะี่ยมันทําอะไรแล้วมันก็เก็บไปมันเหมือนเมล็ดพืชนะที่มันแก่จะจัดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเก็บไว้ในรูปเมล็ดมันแล้วมันจะหล่นลงมาอยู่ในดินจิตของเราก็เหมือนกันหนะึ่ง เราไปคิดอะไรมากๆรักใครชังใครพอใจหรืไม่พอใจเนี่ยมันถึงจังหวะหนึ่งมันจะแก่ขึ้นมามันแก่ตัวแล้วมันก็จะหล่นปุ๊บลงไปมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปใหนหลอกมันฝังอยู่ในจิตเรานมันฝังอยู่ในพื้นที่จิตของเราเองพอวันนีวันคันดีคืนดีเหตุปัจจัยมันเหมาะสม มันจะงอกขึ้นมาไอ้ตัวที่มันฝังเหมือนเป็นรูปเมล็ดมันจะมาฝังจิกลงไปแบบนั้นเหมือนมันหายไปแต่มันไปเป็นความจำแต่ความจำวันนี้เมล็ดเชื้อเยื่อใหญ่ย่างมันก็คือโทสะโลภะโมหะแต่ถ้ามันเป็นสัญญาเป็นเวทนาธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่งอกนะนี่ เหมือนเราเห็นใครสักคนก็จำธรรมดาเนี่ยแต่มันไม่มีอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์จังมันไม่มีเราอยากให้มันเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนั้นฟัง้าไปได้จังหวะดนึ่งก็งอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาก็มันต้นเป็นต้นพิษน่ะเนี้ยมันก็กลายเป็นอารมณ์เสียชุนนี่กับคนนั้นชุนนี่กับคนนี้ ก็แต่ว่าเราเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์เอะไรเอาไว้ในนั้นะการที่เราไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้แล้วดันเก็บต้นอสรลพิษอันนี้ไว้ในใจต้นราคะโทสะโมหะอบางทีเขาถึงมีศับว่าต้นรากราคะโทสะโมหะจริงจรงเกิดจากความไม่รู้นั่นแหละไม่รู้เพราะมันไม่รู้แจ้งพอไม่รู้แจ้งก็ เกิดความโลภอะไรก็อยากได้โลภอยากได้โนู่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นเนี่ยกา ร, าารวัตหาภวะวัตถนาวิภาวะัตถนาเกิดขึ้นแทนที่จะรู้เฉยๆมันก็ไม่เฉยๆคิดเฉยๆก็ไม่คิดเฉยเป็นวิภาวะวัตถาฟังไว้ในใจเราเราดูดีๆนะวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บกี่เรื่องทิ้งเอาไปในใจเป็นมเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิพอเหมาะวิญญาณผีชั่งการรับรู้นี่มันเป็นพืช น, นะเป็นพืชคือเหมือนเยื่อใอยยางรับรู้แต่ละครั้งวิญญาณมันไม่ดับกระทบปุ๊บแล้วมันเก็บมาทันไม่ดับตัณหาคือความพอใจความใครที่เรามีเชื้ออยู่ในใจมีตัณหาตัณหาเนี่ยมันมาจากไหนมาจากความเข้าใจผิด เข้าใจผิดต่อรูปต่อนามต่อสภาพธรรมชาติอันนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสภาพธรรมชาตนะิเราก็จะรู้จะเห็นเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็ น, ปนบ่อกเกิดของกิเลสตัณหาเป็นแหล่งของโรครวมความสุขความทุกเนี่ยเราก็จะสแสวงหาแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้พอถึงเวลา ไปเจอเรื่องแบบนั้นอีกหรือทำนองแบบนั้นอีกมันก็จะงอกขึ้นมาในใจเราพอกงออกไปเราก็ดีใจนะแทนที่เราจะเห็นว่าเออไอ้นี่ต้องดับนะเราก็ไม่ดับเราดีใจไปกระทบปัญหาเราก็เสียใจสังเกตไหมจิตเราพอใจไม่พอใจเรื่องอไรเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องสุขภาพปุณเนี่ยเรเกลียตัวเราเองเป็นคนอ้วน ใครมาพูดโอวอนจังทุกวันนี้เราก็อารมณ์นี่มันจะไม่พอจอยิ่งพูดขึ้นมาแล้วเกียดความผอมมีคนมาพูดเรื่องผอมเราไม่พอใจเราฝักใฝ่การเมืองแบนวันนี้ถ้าใครมาพูดกระทบกระทั่งกระแน่แนเราไม่พอใจมันขึ้นมานลนดีกูว่าอาจาราาย์เราสายเราปฏิบัติทมสายโน้นสายนี้มาใครมากระทบกระทั่งไม่ได้หรือความโลภอย่างเงี้ย เราไปเห็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรที่เราเคยซื้อเคยใช้เคยมีความอยากได้อยากเป็นพ่อเห็นแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาตังทีเนี่ยความโลภความโกรธมันมาอย่อะนี้พอความโลภความโกรธเกิดขึ้นแทนที่เราจะออกจากมันเรากลับหลงเข้าไปในอารมณ์แล้วเราปรุงแต่งเพิ่มขึ้นไปอีกเราไม่หยุดมันอพนะระพุทธเจ้าบอกท่านหยุดแล้ว หยุดแล้วหยุดปรุงแต่งแล้วคืวเราทําไปทํามาเดี๋ยวมันก็ตื่นตัวเองนะถ้าเราไม่ขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจในการบริหารความสุขให้กับชีวิตเราเนะี่ยมันไม่ยากทอะไรหรอกคือทําไล่ความทุกข์ออกนิดเดียวความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะสุขกับทุกข์ในมัน จริงๆมันเป็นอันเดียวกันนะสุขก็ไม่ใช่สุขนะมันเป็นสภาพที่พอทนได้ทุกก็ไม่ใช่ทุกนะมันเป็นสภาพของความเสื่อมมันเป็นนี้แหละทุกเนี่ยคือสภาพของความเสื่อมนะมันเสื่อมลงเสื่อมลงเราก็เลยทุกนะ ช่วงไหนที่มันทนพอทนได้อย่างเรานั่งท่าไหนที่มันพอทนได้เราก็เรียกว่าสุขอันเนี่ยมันพอทนได้กูเลยสุกจริงจริงมันไม่ได้สุขหรอกมันพอทนได้เพราะว่ามันไม่มีมันเสื่อมนี้ตลอดเวลาแก่ไปเรื่อยๆนะซลล์กระดัเลือกรับผิวหนังในวันเนี้ย เ, นน เ, ยเนยขนขาหน้าตามือเท้าแก่เท่าชรลาร่วงโรยไปเป็นธรรมดา ตามการเวลาไปเรื่อยๆน่แต่มนุษย์ผู้ไม่รู้แจ้งในสัจจะก็จะหลงหลงว่ามีความสุขนะแล้วก็เพลินหาเอารถมาใส่เอารูปมาใส่เอากลิ่นมาใส่เอาเสียงมาใสนะพอมันไม่ได้นะก็เกิดการยื้อแย่งการในสังคมนะทั้งที่จริง เป็นความรู้สึกทางคนต่างเพื่อจะเติมให้กับความรู้สึกที่มีเวทนาหน่อยๆเรื่ อ, น, อ, น, อ, น, อนี้ถ้าเรารักษาชีวิตเข้าถึงภาวะจิตเติมแท้จริงความทุกข์มันก็ น, น้อยจริงเมื่อวานลงตาว่าจะให้จิตแพทย์เข้ามาคุยด้วยหวานคนเขาวนะผู้หญิงสูงๆเขคุยมาเตรียมไลงตา มันยังไม่อยากคุยอย่าให้พูดเรื่องว่าการการทำแบบนี้การทำสมาธิการอะไรเนี่ยในวงการแพทย์เขาคิดยังไงแล้วมันมันช่วยอะไรบ้างนะคือมุงมองดูในรักษาของทางการแพทย์มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นให้กับชีวิตมันมีข้อดีอยังไง จิตเป็นสมาธิแล้วมันได้อะไรก็จะได้ความรู้โอ้ลงการรู้ไปปฏิบัติทำอีกก่อนคือเราให้ความรู้กันได้หลายด้านเนะด้านนั้นบ้างด้านนี้บ้างก็จะช่วยช่วยเกิดความมั่นใจไม่เกิดวิปัสสนาญาณก็เกิดอย่างอื่นนี่ เราก็จะได้ปัญญาปัญญา ห, หลายหลอย่างอย่างนี้เราก็มีความมีความเพียรที่จะทำอา้าวทำเพื่อให้กดอันนั้นหลังทำเพื่อให้เกิดสุขภาพดีแบบโนตแบบนี้ออกกําลังกายตอนเช้าเป็น่งนั้นออกตอนสายเป็นอย่างนี้นะแต่ก็อย่างว่านะบางทีจิตตะเวนคือขี้เกียจนะรู้ความหมายรู้วิธีการแต่เขาก็ความขี้เกียจไม่เข้าใครออกใครอย่างนี้ ความตั้งใจความลนะเอจิตแพทย์เขาก็จะเรียนเรื่องของจิตวิทยาแต่เขาไม่ได้เรียนเรื่องวิปัสสนาเนะ <c oughs> เรียนจิตแพทย์นี่เขาก็จะถูกบังคับเหมือนกันนะถูกบังคับให้ไปปฏิบัติธรรมเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์นี่นะสิบวันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยอ้างนั่นอ้างนี่ พวกจะเป็นจะตายพวกที่ไปเรียนหนังสือเกี่ยวกับวิชาการทางจิตเนี่ยเขาจะให้ฝึกในภาคปฏิบัตนะิแต่คนมันจะไม่อยากทำเพราะมันไม่ได้เห็นความสําคัญของจิตใจให้เราสังเกตดูนะใจเราเนี่ย วันวันหนึ่งอเอาความรักใส่หลา ย, อยาเอาความชังใส่หลายอย่าไปเพาะเมล็ดอารมณ์ไว้ในใจให้มันมากแต่เพาะมากมันก็งอกมากผู้หญิงเนี่ยเป็นคนหงุดหงิดง่ายถ้ามีความรักแล้วก็ยิ่งหนักเลยแหละมีความรัก ต้องการเห็นอกเห็นใจต้องการเอาอกเอาใจจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายยิ่งถ้าอายุสามสิบสี่สบขึ้นไปเขาเรียกว่าวัยตัวเงินวัยตัวทองจริงคือมันสะสมอารมณ์แหละพราสะสมมาช่วงนี้มันจึงหงุดหงิดมันไม่ได้ตามปรารถนาจะมีคู่ครองก็ไม่ค่อยได้คู่ครองเนี่ย ถ้าได้คู่ปครองมาคนนี้ก็อยากเรียกร้องความสนใจแต่ไม่มีใครเอาอกเข้าใจถ้ามีลูกมีหลานเราก็อยากเอาใจใลูกหลานหรืออยากให้ลูกหลานเอาอ ก, กา เ, ขาเข้าใจเขาก็ไปของเขานะี่ยแล้วทํางานมันหนักมาตลอดทั้งชีวิตมาถึงสี่สิบปีสี่สิบห้าสิบแต่มันไม่เป็นดังใจที่อะไรสักอย่างเนี่ยและจะเป็นคนหงุดหงิดง่า ย, ยเยอะ จริงๆมันไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนโฮเมนอะไรหรอกเกิดจากการควบคุมสติไม่เป็นควบคุมใจตัวเองไม่เป็นไม่ได้ฝึกสติพอไม่ฝึกสติมันก็ยากลาบากหงุดหงิดง่ายชุนเฉียวง่ายบริพาดง่ายอารมณ์เรื่องตึงตังง่ายพวกครูอาจารย์เมื่อก่อนก็จะใจดีนะ แต่พอมาอายุประมาณนี่มันจะใจไม่ค่อยดีมันเริ่มสำคัญว่ากูมันมีกูขึ้นมากูขึ้นมาแล้วพ่วงมึงมันโง่ไม่ตั้งใจฟังกูอะไรประมาณนี้พ่อแม่เ้าเหมือนกันสอนนานๆเ่านั้นเขาอายุประมาณนั้นเ็เป็นเขาก็แก้โดยพ่อแม่อะไานั้นพ่อคุณทุนหัวไไหมแม่คุณทุนหัวเอามาทูนไว้บนหัว ให้พูดอะไรดีๆคิดอะไรดีๆไม่อยากให้มันตามใจบนะางคนถ้ารู้ถ้าเคยเห็นอย่างไหนมาจำไม่ได้นะนึกเคยได้ยินมาฝรั่งกับคนไทยคู่หนึ่งนะเขาสัญญากันชีวิตเขามีความสุขดีอะสามวันหอมแก้มกันครั้งหนึ่งสามวันเนี่ยต้องหอมแก้มกันครั้งหนึ่ง ท่านมันก็ไม่มีเวลาโกรธกันเวลามันโกรธก็นึกถึงอ้าวสองวันสามวันกูต้องหอมแค้มกันอีกแล้วนะเนี่ยพอมาหอมแก้มมันก็หายไปที่โกรธกันมาก็ได้ประมาณสักวันหนึ่งวันที่สองเขต้องทําใจไว้วันที่สามต้องหอมแค้มกันอีกแล้วนะมันก็เลยโกรธไม่ได้อะครบางทีกูไม่หอมแม่มันวันนี้โกรธเต็มที่ก็ไม่ได้ พ่อแม่ต้องหอมแก้มกันอยู่เรื่อยๆคือเขาสร้างเงื่อนไขสำหรับชีวิตเขาไม่ให้โกรธกันเอันนี้เราไม่เอาแบบนั้นนว น, นี่เราแก้ที่เหตุเหตุก็คือใจนั่ น, นแหล ะ, ะถ้ามันเพาะเอาไว้มันเก็บไว้ตัวนี้ตรงนี้นะมนล็ดพันธุ์มันนะพุทธศาสนานี่เขาสอนเรื่องวิปัสสนา แล้ววิปสัสนาก็คือฝึกวิธีเข้าไปสลายเยื่อใยอย่างที่มันเป็นเมล็ดที่ซ่อนเอาไว้นเนี่ยนะเวลากระทบแล้วปุ๊บมันก็จะไม่งอกดิเี้มันสลายไปแล้วโอเรนนี้ว่าเหมือนประทีปหมดเชื้อดับฉนะนั้นตะเกียงเนี่ยถ้ามันมีเชื้อน้ามันอยู่ก็ไม่แต่พอไม่มีเชื้อน้ำมันมาจุดอะไงมันก็ไม่ติดนะ เราไม่ได้ระวังข้างนอกพุทธศาสนาแต่สลายเชื่อข้างในแก้ที่เหตุนี่แกที่เหตุนั่นจึงทำวิปัสสนาวิปัสสนาลงรากลึกไปถึงแต่อย่างน้อยๆจะไม่ลงร่างกเา็เห็นความคิดนี่ไม่ทำตามความคิดหยุดความคิดปล่อยวางความคิดในเบื้องตนนะ้น อันนี้เป็นจนิดนะเนี่ยจิด ท, ที่แรกมันจะเป็นแบบนี้มกลมหรอกเป็นธรรมชาตินะไอ้หน่อยมันก็จะเป็นแบบมีความคิดเข้ามาแต่เป็นความคิดที่มันสะอาดตรงนี้นะความคิดที่มันสะอาดนะเนี้ยอันี้จะเป็นความคิดที่มีอุปทานอันนี้เขาเรียกว่า อาการตัวกิเลสนะที่มันเริ่มจรออกมาที่จริงเดิมๆ เ, เราเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตประภัสสรอันเนี้ยตัวนี้มันเป็นแบบมันความคิดเนี่ยแต่ตัวนี้มันมามันเป็นมันยิงมาเป็นชุดนะ ถ้าเป็นอารมณ์แมันจะมืดมันจะหลายชั้นจิตเตอรจริงๆเราไม่มีกิเลสนะเราเกิดมาจากพ่อจากแม่จริงๆถ้มไม่มีกิเลสก็คือมันเป็นภาวะที่มันเฉยๆนะมันเป็นภาวะที่ธรรมดาก็เราไม่เอาตั้งแต่พ่อตาแต่แม่ตั้งแต่เกิดก็ได้ไปโทษท่านไม่ไหวก็มันคิดทีแรกมันจะว่างว่างจะวังว่างแต่อีกหน่อย ตัวที่ตามมาคือแบบนี้จะเริ่มมาเนี้ย น, นี้มันออกไปทางตาตาหูจมูกดิ้นกายมันเป็นเป็นช่องเป็นทางเป็นประตูขึ้นมาเนี่ยมันเข้ามาที่ใจเราถ้าเราเห็นหเฉยเฉยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันก็จะเฉยเฉยมันก็จะดับไปเข้ามามันก็ดับไปเข้ามามันก็สลายไปจิตทาหน้าที่รับรู้อารมณ์มาเนี่ย เราเรียกว่าวิญญาณก็ได้วิญญาณแปลว่ารู้นะวิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้แต่มันก็คิดได้ด้วยนะจิตเราเนี่ยนะมันคิดได้ด้วยมันปรุงแต่งได้ด้วยเขาต้งเรียกว่ามันเรียกว่าเป็นขันห้าไงมันมีลักษณะได้สามสี่ห้าอย่างหัวใจสี่ห้องแต่พูทศาสนาว่าหัวใจมีห้าห้อง คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะมันเป็นรูปมันมาได้แล้วก็พอใจไม่พอใจตัวนี้ได้ด้วย น, นี่เป็นเป็นรูปอันนี้เป็นความจำอันนี้อันนี้เป็นปรุงมันปรุงแต่งได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นความรู้อันนี้รู้จำนึกคิดอันนี้นะ จิตมันเป็นแบบนั้นนนะ่ะแต่ขอให้มันเป็นบริสุทธิ์อันนี้ให้มันจิตเป็นเป็นจิตเพียวๆบริสุทธิ์สะอาดใสซื่อเนี่ยจิตเด็กนี่มันจิตเด็กมันยังไม่รู้จักรักรู้จักชังเด็กนะมันเกิดมาไม่รู้จักรักรู้จักชังแล้วมันก็ไม่ได้เอาความรักความชังเข้ามาใส่ในปัญหามนะหันเอาแค่แตว่าจิตเขาบริสุทธิ์แต่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้ คมยังไม่รู้เรื่องคือจิตบริสุทธิ์เนี่ยคือมันต้องผ่านตัวตัววิปัสสนาก่อนจิตแบบนี้แหละแต่ถ้ามันจะต้องมีตัวปัญญาเป็นตัวประกอบนะปัญญาการรู้แจ้งเนี่ยอยู่ในนี้เด็กมันมีปัญญารู้แจ้งไหมไม่มีแต่มันจิตเด็กนี่มันจะเหมือนสัตว์มันสัตว์ทั่วๆไปอะเหมือนหมูหมากาไก่เนี่ยคือรับรู้ก็คือ อย่างนั้นเลยอนะแต่พอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มอยากเด็กเลอาสอนให้มันอยากอันนั้นอยากอนนี่มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นมันจะเริ่มมีตัวมีตนอ่ะมันเป็นตัวเป็นตเนตเข้ามารับรู้รับจํารับคิดถ้าใครสอนให้หมามันห่วงเจ้าของนะแสดงมันโง่นะอย่าไปสอนให้มันรักเจ้าของ หมาตัวไหนที่มันรักดีๆมันจําดีๆเนะี่ยมันจะเกิดปัญหาแล้วมันจะเสียใจเวลาตัวเองตายนะเราตายเนี่ยหมามันจะคิดถึงเหมือนเราเนี่ยแหละหมาตายก็คิดถึงนะบางคนงนี่จะนิมนต์พระไปสั่งชักบางสกุลให้หมาเราตาพ่อยมไม่หากินกับหมาหรอกว่าแต่เขาคิดถึงชีวิตเขาคิดถึงคิดถึ ง, ถงก็คือทําบุญจนะทำให้อะไรทําให้ความรู้สึกตัวเองนั่นแหละ ความรู้สึกว่ามันไปเกิดเป็นหมาแล้วกวรู้สึกเนี่ยวิญญาณเรานะ่ยทำบุญให้พ่อให้แม่ก็คือจิตเรามันไปเกิดเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ไปคิดกับลูกก็จิตมันไปเกิดเป็นลูกแล้วเนี่ยถ้าได้ทําบุญให้ลูกก็จิตมันไปเกิดแล้วคือมันไม่ไปอยู่กับลูกแล้วมันมาอยู่กับตัวเองได้แล้วมันเป็นความเชื่อทางาศาสนาเชื่อกับประเวณีพิธีกรรมพราหมณ์ของพุทธศาสนาเขาไม่มี เรื่องแบบนั้นเขาจะมีแต่เรื่องแบบนี้ศา ส, สนาพุทธศาสนาในเป็นวิทยาศาสตร์แห่งการดับทุกข์อย่างเดียวทีพอมันเข้ามาเนี่ยอารมณ์มันก็มากับโมหะไม่รู้นี่ไม่รู้มันมาขับอันนี้แหละนี่มันมาด้วยกันแต่อันนี้น้ำหนักมันจะมากกว่าอันนี้อันนี้เป็นความคิดธรรมดาเข้ามาแม้บางทีเห็นเฉยๆนีนก็ไม่คิดอะไร เห็นไหมถ้าเราไม่รักใครชังใครเราจะมองดูเฉยๆแต่ถ้ารักใครชังใครเนี่ยมันไม่เฉยนะเห็นแล้วมันเป็นขึ้นมาอันนี้มันมาด้วยเพราะมันยังไม่รู้แจ้งนะตัวนี้ตัวนี้แหละ ต, นะ ต, นะตัวสำคัญนะอวิชชาเนี่ยอันนี้นะหรือเรียกโมหะโลภะอันนี้โลภะโลภพอมันมีโมหะ มันก็ต้องอยากได้คุณจะอยากได้อยากดูไงเห็นไหมพอมีความอยากไม่อวิชชาเนี่ยมันจะเกิดพอมีสังขารปรุงแต่งก็จะเกิดวิญญาณเห็นไหมวิญญาณคือตัวนี้มาที่เกิดนี่สังขารเกิดมีวิญญาณก็วิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเข้ามาเกิดวิญญาณเข้ามาสิ่งวิญญาณคือการอยากรับรู้อยากรับรู้มันแตกออกไปได้ดีเลยตาหูจมูกทิ้นกายใจจะรู้ทางไหนเ่ย วิญญาณหกเนี่ยมันเกิดทางอายตนะธานี้มีความอยากอยู่ในใจเน่ยเพราะอยากมันก็ต้องอยากทางตาอยากเห็นเนี่ยอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากกินอยากลิ้มรสอยากนี่มันบินมันจะเกิดทานีอ่ะเพราะเราพมีความโลภมันมีโมหะมีอวิชามันต้องเกิดตรงนี้มันต้องเกิดเนยิ่งพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจอันหนึ่งมันเข้าใจไป็โมดหรอกมีความโลภนะอยากได้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ว่ามันเป็นศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแต่เราปฏิบัติทำเราจะสลายตัวนี้พอสลายตัวนี้ตัวนี้ก็ธรรมดาตามเหตุปัจจัยอยู่เนืองนิดมันทำตามเหตุปจัจจัยที่นี่พอมันไม่ได้ตามใจหวังมันก็มีตัวนี้คือมาร น, นะพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเพราะไอ้ตัวนี้เป็นเหตุเพราะมันเนี่ยวิชาคือไม่รู้สึกตัวไม่รู้แจ้ง ทำให้มันรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้มันรู้แจ้งเหมือนการรู้รู้ๆู้รูููู้รูู้รู้ร้รรจนงทาวาไม่ต้องรู้มันเป็นเองแล้วเขาเรียกว่าตัดสะรู้ไม่ต้องให้มันมีตัดเสรู้ไม่ต้องมีรูนะ้คือไม่ต้องมารู้อีกแล้วมันจบของการที่จะรู้แล้วคอยรับรู้อารมณ์เนี่ยไม่ต้องรู้แล้วมันเป็นของมันเองแบบนั้นโดยธรรมชาติ จิตนี่กับธรรมชาติอันนั้นมันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับนิพพานธาตุเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไปแล้วนะเราไม่ต้องมาคอยรับรู้ผู้ที่ยังรับรู้อยู่ผู้กำลังเดินมักอยู่เนี่ยโทรศัพท์นี่ออกมาแหะตามเรื่องตามราวแหละไอ้โลภะนี่ก็ไปแหละธุรกิจร้อยล้านพันล้านอะไรประมาณนั้นโลภอย่าได้อันนั้นอันนี้ก็มีหมดแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมไปกัตามเรื่องแหละโทรศัพ์นี่ก็ไป มันเป็นฝอยมันหรออันนี้มันเป็นฝอยแต่นี่มันเป็นแก้วถ้าเป็นต้นไม้ในรากแก้วรากฝอยน่อันนี้มันมันเป็นรากฝอยมันเวลาเราพูดเราคุยแม่ไร้สาระเขาเฮ้ยมึงอย่าฝอยนักเลยมันเปนฝอยเมันขี้ฝอยแต่ถ้าอะไรที่มันดีๆเขาเรียกว่าแก้วรัตนะไงรัตนะไตรนั้นชีวิตเราจะมีประมาณนี้เราก็จะให้สังขารเกิดบ่อยนะ สังขาร Sur. คือความคิดเนี่ยมันเกิดบ่อยสังขารคือรู้เฉยๆคิดเฉยๆคิดแล้วกรดับไปอ่ะได้อยู่แต่ถ้าคิดแล้วมันปรุงแตง่งปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าสังขารนี่ยเปรุงแต่งสังขารขันห้าขันห้าขันห้าขันห้าก็มีรูปเบชนาสัญญาสังขารขันห้าขันก็คือขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้เรียกว่าขันเนนี่ยขัน ที่ใส่อารมณ์ใส่รูปใส่เวทนารูปของความคิดมันเข้ามาเอาเยอะขึ้นมาในใจเนี่ยเราเก็บทันทีแล้วก็เกิดพอใจไม่พอใจในความคิดนะสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ไปสํารวมนะปุกไอ้นั น, นเจเลยที่นี้เป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมันมั น, มน ถ้าอยากรู้แจ้งทีนี่ยถ้าอยากให้อันนี้มันออกเนี่ยอันนี้นี่ยิ่งหลายหลายคนในยิ่งคิดมากยิ่งปรุงแต่งมากอันนี้จะมืดมืดมืดมื ด, ม, ด, ม, ดมืดเลยนี่มันหลายวงหลายรอบอะคิดเรื่องเดียวนะอา้าวคนนี้สวยเหลือเกินเนาะนี่ห้ยขามันก็สวยผมมันก็สวยมาอีวงนึงผิวขาวด้วยนะเนี่ยวงนึงหน้าตามันก็ดี เอาเวลามาเดินมันก็โก้เอาอีกแล้วนี่หมดเลยนี่หลายรอบหลายรอบเข้าเลยในขณะเดียวกันเหมือนไอ้ความชังก็เหมือนกันหิวไปหมดเลยนี่นะฮะ้ยกูไม่ชอบทางมันแล้วก็เดินผ่านมาทําไมวะท่านี้อะไรประมาณนั้นเมืนนะ่อวานกูก็เห็นคุณมาเดินจุกมอย่นี้กูก็ราคาญว่ะอะไรมันมั น, มนอัดเข้าอาดัาอาดเข้าเต็มที่เลย น, นั่นี่แล้วจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นเลยนะ่นนี่มันจะแน่นขึน้นในใจแล้วเฮ้เอายังไงดีเนาะจิตหนึน่งมันจะบอกว่า ไม่พอใจไม่พอใจก็หาทางออกนะ่ะหาทางออกแต่ไม่ใช่มักนะหนีซะไปเดินดูกรมทางอื่นไปไปไปมันก็มา น, นี่ขามันก็พาไปเห็นไหมเมื่อี้มันเข้าไปตบเลยเข้าไปตบเลยมันเอาอยู่ น, นั่นนี่เห็นไหมวิธีการมันอนะ่ะเพราะมันอึนอดอัดไงมันแน่นเล น, นี่ท่านมันมีวิธีหนึ่งก็คือไปหาอันนี้มา เห็นไหมไม่มีแล้วโอ๊ยไม่ต้องตบแล้วกูไอเข้าไปตบเลยนี่ enfin นไม่แน่นะมัน <š> เ <i reg imen> like อาคืนนะเนี่ยเข้าไปนี่อันตรายนะนี่มันเอาคืนเราจะยุ่งเลยได้นึงเอาคืนกูก็บุกกูไม่กลัวตายชีวิตนี้ขอตถกูชนะคิดแค่นี้ยชีวิตนะแล้วชีวิตเรายอมแลกกับคนนั้นคนนี้แบบโง่โง่จริงแค่สลายไอที่อยู่ในนี้ก็พอยัายมันหมุนหลายรอบอันี้สองสามรอบสี่หรอบหกเกือแปดเก้ารอบหมดพอดีนี่ มันมีไม่คิดไปคิดมาแล้วมันก็หมดเรื่องคิดมีไหมมันไม่ค่อยมีมันไม่เหมือนปากานี่นะเขียนไปเขียนมาหมดแต่ใ จ, ใจเราเนี่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วอีกตั้นหานี่บอว่าความคิดเนี่ยขนาดเอาน้ําหมึกเอาเท่าน้ำทะเลมาทําเป็นน้ําหมึกมันยังเขียนนีงไม่หมดเลยนะพัลนาถึงความอยากเนี่ยอยากอะไรบางโลกนี่อยากมดเนี่ยนะอย่างทางตะวันตกเนี่ย เขาไม่งมงายเหมือนพวกเราพราเราทํายิ่งทําหัวทำนวลทานี่นะฮองฝรั่งเขาทําแต่ละทีนี่เลยเขาไม่ได้ทําเล่นๆหัวไม่ได้ทำเจียวดองเจ ด, ดีเหมือนพวกเราเนาะฐานยิงจะหลวดไปดวงจันทร์ดาวอังคารเขาทนะตันหาเขาเวิรดไปนวลกูอยากไปดูแล้วเกินไอที่กูมองเห็นอยู่ริบๆนีมันอะไรกันเน่นะอมันคิดนะของพวกเราในแค่นี้ก็พอแล้วนะใช่ไหมมองเห็นอะไรขึ้น น, ะนี่นี่ห น, น, น่อยพอ อยากเล่าตำนานกระต่ายที่นั่งอยู่บนดวงจันทร์มันมาจากไหนเธอเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมมันมาจากไหนนคนเคยฟังองตาเทศคงเคยได้ยินนะไม่ใช่นิทานอีศพบนะไม่ใช่ของอีศพบนะเนี่ยองบศพนะความอยากของคนความโลภของคนว่ามันไปไกลอแต่ละวันแต่ละคืนนะยิ่งคนสะสมมากก็มีมากยิ่งปัจจุบันเนี่ย คนหัวดีๆสมองดีๆมันก็จะพัฒนาโลกมากที่ยริงที่ว่ามันพัฒนาโลกก็คือความโลคมันเยอะนั่นแหละพลังแรงมันเยอะถ้ามีสติก็ดีไปอย่างแต่ถ้าไม่มีสติก็สร้างแต่ปัญหานะเห็นไหมเขาพัฒนามือถือนี่เขาว่าดีนะแต่ก็สร้างปัญหากับโรกเยอะอ่สร้างอินเทอร์เน็ตว่ดีเหลือเกินเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นนั่นเป็นนี่วุ่นวายไหมเดี๋ยวนี้วุ่นวายจะตั้งกระทรวงขึ้นมาเฝ้า ควปัญหามันเยอะนะแล้วมาดูตัวนี้ทีนี้เขยใจนี่นะเขยใจนี่นะเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ดูความโลภความโกรธเรามไม่ได้ดูนู่นนี่มาดูใจดูใจโดยที่ทําความรู้สึกตัวพอทําความรู้สึกตัวที่ปุ๊บมันจะเกิดวิปัชนามันก็จะทำลายตัวโมหะนี่ออกไปที่เป็นเชื้อเนี่ยที่มันสะสมมาสะสมมาเขาว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะ กิเลสมาแต่ชาติปางก่อนเอาปางก่อนของพุทธศาสนาทีนี้ปางก่อนของพุทธศาสนาก็คือก่อนมานั่งอยู่ในนี้ก่อนก่อนก็คือก่อนก่อนก่อนที่เราจะมีวันนี้นั่นแหละก่อนชั่วโมงนี้ก่อนนาทีนี้คือความคิดก่อนก่อนที่เราเกิดขึ้นมานะตั้งแต่เกิดมานี่แหละประมาณตั้งแต่เราเกิดมานี่ เราสะสมมาในความรักความชังเกลียดใครเกลียดเกลียดเกลียดใครก็ตามนะเกลียดมาธตชาติปางก่อนมีไหมไม่มีเกลียดชาตินี้แหละรักใครล่ะมาแต่ชาติปางก่อนไหมไม่มีหรอกชาตินี้แหละติดเล่าล่ะติดมาธตชาติปางก่อนโอ้ยไม่มีหรอกชาตินี้แหละ พระศาสนาเนี่ยเขาสอนสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันแก้ไขปัจจุบันแล้วมันแก้ไขได้ไม่เกี่ยวกับภพบชาติอดีตอะไรมากมายหลากหลาแต่เนื่องนับเนื่องถึงในเวลาเกิดปัญญายานแล้วเนี่ยเราก็จะเลลึกว่าเออภพชาติที่แล้วมันเป็นยังไงมันจะนึกออกของจิตเนี่ยโตมาทีแรกกาศะสมไปเอาลืมตากว้างๆนะลืมตากว้างๆนะ ก็สะสมไว้รักชังโกรกเกียดสะสมไว้สะสมบางคนเกียจพ่อเกียจแม่นะลุงตางเคยเล่าให้คนฟังเรื่องหนึ่งเนะี่ยเกิดมาแล้วเป็นคนจนอยู่บ้านนอกเนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือแต่มันก็ได้เรียนเรียนโดยบวชเรียนนะพอชีวิตก็อะไรอะ่ะมันในน้อย แม่ตายไม่มีแม่ใครแม่ตายพ่อตายลราดีใจด้วยนะหมดกรรมหมดเวรคือไม่ต้องเลี้ยงดูนะ่ะเวลาเราร่ํารวยแล้วกินคนเดียว <c oughs> <c oughs> อจริงๆนะอันนี้มนะันไม่ปฏิบัติธรรไม่โอ้ไม่ได้หรอกนนะห่วงพ่อห่วงแม่เป็นคนกระตันอยู่มันไม่ต้องสบายหลวงตาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แรหลวลงตาก็สงสารเขานะที่เชียงใหม่ เขาเสนใจเรื่องธรรมะมาเขามีมีบริการรถให้เช่าอยู่ใกล้โรงแรมตายเรียบเลยพ่อแม่ตายพี่สาวเขาตายไอ้ไม่ใช่พี่ชายก็ตายตายเป็นโรคภยครัยไข้เจ็บนี่นะก็ตายก็เหลือคนเดียวก็ยังไม่มีครอบครัวอยู่บ้านคนเดียว แล้วท่านเป็นคนกลัวผีด้วยปัญหาน่าสงสารเขาเขามาปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ปฏิบัตินะเขามาฟังเทศมาคือตามมาถึงที่วัดตามมาถึงที่เขาก็เป็นคนสนใจธรรมะธมโมะแหละสนใจอยากปฏิบัติธรรมใส่ใจแต่ว่าครอบครัวเขาตายหมดเลยไม่เหลือซากคนเหลือแต่คนเดียว แต่ว่ารีบปฏิบัติทำซะแล้วความกลัวความอะไรมันจะหายไปใจมันก็จะดีอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องห่วงใครอ่ะมันสบายๆมันดีแล้วที่ไม่มีใครอ่ะชีวิตนี่นะแต่มันก็คิดว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นบางทีเอามาเหลือคนเดียวฆ่าตัวเองตายตามไปความความคิดมันมันไม่ฉลาดความคิดมันทำร้ายเอาไม่มันเป็นเแบนนั้น ถ้าเราเกิดมาเอา้าไม่ต้องมีอะไรอย่างเราตตมว่าชีวิตเนี่ยเอา้าเกิดมาตัว น, น้อยๆคนนันก็นตายคนนี้ก็ตายพ่อไอ้อะไรแม่ตายอะไรตายวันหนึ่งไปหาปลาไป น, นี่แหละไปกับพ่อไปหาปลาพ่อไปหาปลาก็นั่งเรือเรือแต่มันมันไม่ค่อยมีปลาก็ไปหาหอย รู้จักหอยไหมหอยนี่มันจะเป็นสัตว์สี่ขานะมันจะมีฝาปิดอ่างเงียบอ่างเงียบอยูน่นะเธอเคยเห็นไหมคนกรุงเทพมานอาจจะงงๆไม่รู้จักหอยแล้วนะมันเป็นฝาเหมือนบาทนี่แหละตัวมันจะกลมๆแบนี้นะอ่างัง็บก็แบนีนะ้รู้จักหอยไหมหอยงานเห็นไหมมันจะงงๆมันไม่ค่อยรู้เรื่องหอย แม่เธอสง่งแล้วแม่เธอก็ไม่เคยเห็นนะนะมันจะตัวกลมๆหรอกลูกเท่านี้เลยนี่นี่นจะมีฝาแต่ฝามันอยู่ข้างในเวลามันจะเดินมันจะเปิดฝาอ้าออกแล้วก็ ย, ยื่นขาออกมาแล้วคานไปขามันเดินเกี้ยงก้างเก้งก้างไปนะมันเหมือนยนนานอวกาศนะจาน UFO เนี่มันเดินกึกกก๊กกักกกลับไป ไปดูนะทางสกลนอครหอยพันนั้นนะก็หาหอยไปเนาะหาหอยพอเขพายเรือมาพายเรือมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็เราก็นั่งอยู่บนเรือเรือแจวนี่นะ่ยหาหอยไปมันก็ไม่ค่อยได้แต่มันก็สนุกนะเอามือลงลากน้ําไปด้วยคนหนึ่งพายเรือแล้วก็มือละ่ะมือไม่พายเยาเท้าลาน้ำพออันนี้เอามือลา โอ้เอา้ามึงจอามือลานะ้ํำเอามือขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปจับนั่นจับนี่เหมือนเดิมนะแกเป็นคนเด็ดขาดมากแกไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาเอามึงว่าไม่ฟังลนะเราก็หันมายิ้มตัหน้อยแกทําไงแกเอาไม้ไผ่เรือฟาดไม้ไผ่เรือนไะ ไม่ใช่ไหจิ้มฟันนะไม้แพเรือเท้าขาเนี่ยเนะี่ยตีเข้าท้ายทอยนี้เนี่ยสลบคาเรือเลยคือไม่รู้สึกตัวเลยขึ้นมาแล้วแกก็เอาทิ้งออกในเรือแล้วแกก็ไปเลยเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าต่อข้างหน้า <laughs> <laughs> มันก็เป็นนี้คือทําแบบนั้นแล้วก็จบไปเลยแก ก, ก็กลับบ้านเฉยนะกลับบ้าน แกก็ดำลงชีวิตของแกไปตามเรื่องกับลูกแกกับอะไรเนะี่ยแต่ลูกคนนี้แกไม่ได้สนนะคือไม่ฟังแก ก, กเ็เป็นแปบนั้นไดเป็นคนเด็ดขาดเทีนี้คกลางคืนมาหมอกมันลงเนะ่ะมันก็เลยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วจะกลับบ้านนี่แล้วกลางวันกูก็โดนไม้ไผ่เรือแล้วนี่ถ้ากลับไปบ้านเนี่ยโดนอีกมันจะเป็นยังไงฮะมันมีอย่างเดียวคือหนีะ่ะ ก็คือไปทางอื่นเนะ่ะเดินหนีรัดหล่อทุ่งนาะไปที่อื่นไปบ้านอื่นที่ไม่ใช่บ้านหลังนั้นมันเริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มสร้างความเกลียดชังขึ้นมาทัีนะไอ้คนนั้นก็ไอ้คนที่สมมติว่าเป็นพ่อนั้นมันก็ไม่มาหาเราเลยนะน่าจะมาเก็บเรากลับไปบ้านบ้างก็ไม่เก็บเฉยค็เฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะี่ อันนี้มาเข้าใจทีหลังนะยังไม่ได้เรียนหนังสือนะเนี่ยประมาณสามสี่ปีนี่เด้อายุเนี่ยเดินข้ามคองข้ามทุ่งข้ามท่าไปไปให้ไกลที่สุดหมู่บ้านใกล้ใกลก็ไม่อยู่บ้านใกล้ใกลก็มีอยู่เดินไปเรื่อยๆไปให้ไกลที่สุดไกลให้แกตามไม่ทันอ่ะเพราะว่ามันกลัวกลัวแล้วก็ลังเกียดขยะนขยั่งกลัวกลัวแก่ข้า เพราะขนาดรู้สึกว่า พ, พ่อพ่อพ่อเนี่ยก็ยังประมาณเนี่ยถ้ากลับมาอีกเนี่ยมันจะได้ขึ้นไหมคือมาแล้วก็ไม่ได้กินข้าวแน่ๆนะขึ้นบ้านก็ไม่ได้กินข้าวหรอกเอเคไม่ให้กินหนกเดินไปเดินไปเดินไปไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านหนึ่งก็ผ่านไปอีกนะไปหมู่บ้านเราให้ผ่านไปผ่านไป ไปกลางคืนด้วยเนะี่ยเด็กสี่ปีเอา้าหมาเห่าก็ทั้งนั้น่ไปพอขอกินข้าวเขาได้บ้างก็ไปหานั่งในสาราวัดอะไรประมาณ น, นั่งคนเขาไปรักษาศีลนหน่อ ย, อยขอกินข้าวของเขาเขาก็ให้ข้าวกินพอข้ากินแล้วก็ยังไม่พอใจที่นี่นะเขาถามเป็นลูกใครลูกเต่าเราใครก็ไม่ตอบ พวกเขาไปส่งแล้วมันกลัววันมะ น, นืนก็คิดเกลียดชังคิดเกลียดชังกูจะหนีไปให้ไกลที่สุดนะ่ะกูจะไม่ไม้เห็นหน้าคิดให้มึงทุกเลยมึงไม่มีลูกมึงทุกเพราะกลัวทุกเพราะกลัวมันคิดเกลียดแค้แนทริงจังขึ้นมาแล้วนะจิตเนี่ยไปก็เขาให้กินข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เสื้อผ้าเขาเขาที่เขาจำศีลนี่ยให้นุ่งบ้าง นุตัวหนึ่งก็ลามลุกไปถึงนี่เนียเสื้อมตัวเด็กเนาะไปอีกห น, นีไปอีกอำเภอนึงเดินไปให้ไกลที่สุดไปมันมีความคิดของมันนะหัวนี่ไอตัวโทสะมันบังคับนะถ้ากลับไปกราบมันไม่รู้จะเป็นไงแต่จิตมันไม่เอไม่กราบกูไม่คิดมันเป็นพ่ อ, อกูอะพ่ อ, อกูไม่ทําแบบนี้อะไร น่าจะรู้ว่ากูเป็นเด็กอะไรประมาณในะจิตนะเด็กกูก็ต้องทําแบบนี้แหละมึเป็นเด็กเป็นไปนอนไม่หลับปวดหัวไปนอนอยู่ตามกองฟงัฟงฟังญ้าฟังเไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลื่อยจนไปเจออีกอําเภอหนึ่งไปขอข้าวเขากินไปอยู่ในวัดในวัดนั้นเขาสอนหนังสือสอนหนังสือสอนหนังสือแล้วมันมีตัวเด็กๆด้วย อำเภอหนึ่งข้ามไปข้ามไปเกือบจะถึงจีกจังหวัดหนึ่งนั่นแหละมันไปอยู่เรื่อยๆนี่นะมันก็ไปเล่นกับเนนน้อยเขาเนนน้อยเขาก็มันก็ไปเรียนป .1 ในวัดเหมือนกันเนี่ยเรียนระดับสามไปเรียนเริ่มป .1 ป .2 นี่นะเรียนกศนเนี่ยนะเขามีไบเน้นว่ไปอยู่เขาเน้นไปเล่นมานไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยรู้จักว่าหนังสือเป็นยังไง มันก็เริ่มสนุกกับอ่านอ่านไปะมามันก็เก่งๆก็มาขอข้าวเข า, เขากินเขากินก็แล้วเนนเนนก็มีห้องนอนเ น, น, นอนกับเนนน้อยเขาเนะี่ยก็เพินไปหลวงพ่อเก็เรียกไปถามเนีนนเ่ยนี่ท่านเนาะเนี่หัวมันดีนะ่ะไอเนี่ยมันจําเร็วกว่าเนนที่อยู่ในวัดนั่นอีกเนนนั่นหัวจําไม่ค่อยดีอยู่ที่นี่ไหมบวชไหมบวชเรียนได้เรียนหนังสือนะอะไรประมาณนั้น ไปเห็นหลวงพ่อเนะื้อถือไม่เลียวมาเนะี่มันก็กลัวแล้วมันนึกภาพอันนั้นนะเฮ้ยพ่อกูก็เป็นแบบนี้แหละวะอะไรมนันนะถือไม่เลียวมันไม่นี่มันพายพายเรือกูคงทนได้หรอกอันนั้นมันไม่พายเรือนี่ไม่เลียวกูคงทนได้คิดนะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่หลวงพ่อไม่ตีผมได้ไหมไม่ตีผมได้ไหมผมกลัวมันกลัวมันเป็นภาพหลอนนะี่ยอันเนี้ย นแล้วมันทําให้เกิดการแข็งเข้มแข็งมากมันไม่กลัวเห็นคนไหนเลยจิตนะไม่กลัวกูกูต้องเก่งกว่าพวกนี้ให้ได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อกูต้องไปยืนอยู่แถวหน้าในชีวิตกูกูมาแบบกูไม่มีอะไรกูไม่พึ่งอะไรกูไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่พี่ไม่มีน้องกูไม่มีกูบาดาจกูไม่มีใครกูจะมีแต่สติปัญญาและมีแต่ความโมานะของกูอ่ะกูต้องเอาชนะใครให้ได้มันเริ่มขึ้นมาแล้วนะอัตราตัวตนความยึดมั่นถือมันขึ้นเเยอะ มันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่นิทานนะเนี่ยไม่ได้อิงนิทานแต่อยากเล่าให้จบจนกระทั่งว่าแล้วมันมาอยู่ปัจจุบันนี้ได้ยังไงอประมาณนั้นแหะแต่ว่ามันก็ไม่น่าเล่ามันเป็นนิทานที่ทุเลตมากเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั้นชีวิตของพระเธอเนี่ยดีดีกว่าคนนี้ไม่รู้กี่เท่าเนี่ยสะดวกสบายไม่มีกันมีทองมาทำงานกุฏิก็โทรขอเขาก็ให้แล้ว ทำอะไรดีหน่อยมันก็ได้แล้วแต่ที่มันผูกมันพันดูดูที่ความยึดมั่นถรือมนันอะไนี้แล้วที่ว่าถึงมันจะออกได้ไหมนี่คนนี้นะ่ะมันคิดมากขนาดนี้เนะี่ยแล้วมันจะออกได้เลยอนี่แล้วการศึกษาก็เรียนเรียนแบบนี้แหละเรียนเป็นพระนี่นะ่ะเรียนปหนึ่งกับเขานี่นะ่ะกอากาขออาขาตเต่าเต่านาเนีนอกกลางเข็มสองตัวผัวเมียเป็นผู้เดียวกัน วันนี้อากาศดีนะจ้าจ้าฉันก็ว่าอากาศดีโอ้ยท่องจนเมื่อยอยู่นั่นแหละเตือนบทแบบเรียนเร็วแบบเรียนเร็วนอกก็ขาดเปิดแรงก็ไม่ได้ถูกตีมันขาดยืมเขามาเรียนนะนะก็เขาอาขาหมอหมอหมอสหมอเนี่นีหมสอสไม่ใช่หมอนนะมนหมอนอหมอนท่องจนปากเปื่อยแล้วก็ไมายหละพ่อพูดให้เจ้า เป็นลูกของเจ้าชายจิตติธาถูกตีหละอันนี้เขาเนท่องได้นะแต่มันไม่ได้พระเจ้าสุตโตตนะไอ้อนี่เออกางคืนมากอ่ะหลวงพ่อมึงเอาหมอนไปหลวงพ่อก็มึงมึงกูกูนะเอาหมอนหมอนหลวงพ่อเนะ่ยเลยโยนลูกมะพร้าวให้ลูกหนึ่งมะพร้าวเห้าเป็นหนุนหัวนอนก้ากระหัวตกหมอนปุ๊กลงไปสู่ขึ้นนะมันไม่นิ่มนะ่ยมันไม่มีโ ล, ล่รูมีร่องให้หนุนตกกู้ลู ก, ก้นมา อ่องอีกอ่อกุติสารานั้นก็ได้เดินเชเดินเร็วไม่ได้ใครเดินแบบไม่ดูไม่สำรวมนี่ไม่มีท่านทำกุติมันจะห่างๆช่องมันะเดินนี่ต้องดูเพราะเท้าเท้ามันจะลงไปในรูแผ่นนั้นแผ่นนี้ไม่กระดานท่านทำดีมากนะฮเพอเผอบางที่ท่านทำตอกตะปูขึ้นมาจากพื้นด้วยโอ้ยหลวงพ่อนี่็ร้ายกัดนะวแล้ว ม, วมเราค้อนไปทุบมึงทุบทาไมกูไม่ได้สั่ง เราทุบตะปูลงน่ะใช้ปัญญาเดินโอ้ยยังเ็นนักโทษค่อยๆถ้าขึ้นกุฏิท่านเ่ะต้องค่อยๆไปไม่มีใครจะได้เดินตึ้งๆเข้นเอาน้ำปะเคียนเนี่ยมันต้องดูนะต้องเดินแต่ระว่างยังเป็นฮนุมานถวายแหวนค่อยๆไปเขาสอนเป็นสอนเป็นค่อยๆอุ้มค่อยๆถือไปยากลำบาก แต่ก็ค่อยๆไปเวลานะักนอนอย่างว่านะท่องหนังสือท่องหนังสือแต่ก็กลัวนะอยู่คนเดียวบางวันมึงไม่ต้องขึ้นมาท่องอยู่ข้างบนไปท่องอยู่ข้างล่างนู้นตัวเด็กตัวเล็กบางทีเวลาเป็นนั่งเห็นเขาทุเรียนมาถวายในะน้ํำลายไหลจิก จ, กจกักจึกจักทุเรียนท่านกินคนเดียวหมดเลยลูกวักใจญนะั่นะ <c oughs> นะก็เราอุ้มไปถวายนะั่ก็มัแต่ท่านก็กินคนเดียวท่านกินคนเดีย ว, น, น, น, ยวนะ เราก็ดูมันก็อยมันได้กินนะทุเรียนในแต่เมนันะมันกินโมดเรากินฮึวันหนึ่งกูต้องเป็นพระผู้ใหญ่ให้นะกูจะกินคนเดียวสักสามโลกเนี่ยคิดนี้นะเนี่ยมันแคนขึ้นมาอีกแล้วเนีทุเรียนก็มาอีกแล้วเนี่ยเข้ามาในนี้กูจะไม่ให้กินเลยแล้วนูกหลานมึงมาบวชกับกูกูจะไม่ให้กินเนี่ยหลวงพ่ออันนี้มันคิดทีทั้งนะั้นวันหนึ่งท่านก็แก่ให้ ลูกหนึ่งแกให้เม็ดหนึ่งให้กินโรตากินหักแตกหักแตกหนอกโอ๊ยเหม็นไม่นึดว่าทุเรียนมันจะเหม็นขนาดนั้นที่แรกนึกว่าท่านตะนีที่ไหนได้พอกินแล้วอาเจียนไม่ว่าเล่นเลยตั้งแต่ท่านมาไม่กินทุเรียนเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่กินบ้างทุกวันกินทีเลยแปดเม็ด <c oughs> ขัดเอาพยายามเมาความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็นะกินได้ แต่เขต้องพยายามเอากว่าจะกินได้เดี๋ยวนี้ก็อันนี้ก็บอกญาติโมยมไว้ว่าจะได้ถวายนะ <c ười> มันกินไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเดี๋ยวนี้กินไม่ได้เพราะกินเยอะเพราะแคนหลวงพ่อองค์นั้นแหละถ้าเป็นเพนพ่อหลวงพ่อองค์นั้นก็คงไม่กินเยอะขนาดนีนนนะ้คือกินชําระแคนเฉยๆนะนไปเกี่ยวกับท่านไหมมันไม่เกี่ยวแต่เราก็คิดนะ่ะ มันคิดจนะิตนี่น่ะมันก็เลยได้ดีขึ้นมาชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ้าวยี่สิบปีผ่านไปยี่สิบปีนะั้นไม่เคยเจอหน้าคนนั้นนะ่ะคนที่เขาเรียกว่าพ่อนะั่นน่ะไม่เคยเจอน่ะมันไม่กล้าเสี่ยงกลับไปเขาก็ไม่ถามข่าวนะเมื่อที่คนสมมุติว่าเป็นลูกนะั้นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าบ้านเขาก็ถามอา้าว ลูกเองไปอยู่ไหนแกก็ไม่สนใครแกคงจะคิดอยู่แหละแต่แกเฉยไม่สนใครไอคนเนี้ยเน้นน้อยโอ น, นี่ก็ไม่สนที่จะกลับบ้านยี่สิบปีผ่านไปยี่สิบสองปียี่บสามปีบวชไปเรื่อจนกระทั่งจบปริญญาบวชนะเขาเรียนมหาวิทยาลัยกับเขาไปเล่ๆๆๆไม่มีไอ้นี่ก็ทา ไปเรื่อยๆนะเก็บหอมรอมริ์ไปไปบินธบัติเขายังมีคนใส่บาทเขาใส่องค์นี้โดยเฉพาะใส่องค์นั้นโดยเฉพาะไอเราไปทีหลังเนี่ยเขาเตรียมไว้แปดชุด น, น้อยที่หลังก็ไม่ได้แนละ้วไปก็ไม่ได้ผ่านไปเขาใส่แล้วแปดชุดเนั่ยก็ไม่ได้ก็เดินตามไปอย่างเนะไปบินธบาตบางวันไม่ได้อะไรเลยได้แต่ข้าวโยมเอ้ยข้าเจ้า หน่อยข้าเจ้าก็ไม่เคยกินพออยู่บ้านนอกเนี่ยเป็นกินคนกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยมันปั้นไม่ได้ไม่มีอะไรกินหรอกกบมาก็ทาไงใส่น้ปาปลาชุ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีแต่น้ำตามีแต่คราบน้ำตาเมื่อคิดทุกวันนี้ก็อยากเอาใจไปรวงน้ำตาเหมือนเพียงส ย, ยสัญญานั่นแหละแต่มันกูต้องดีให้ได้กูต้องเก่งอะไรกูต้องพัฒนานชีวิตกูให้ได้กูจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เปิดอ่านอ่านอ่านอ่านอยู่นั่นแหละอ่านอะไรที่เขาว่าดีแต่มันพยายามมันพยายามตั้งแต่เด็กชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบ แล้วแต่บุญแต่กรรมเ น, นี่ยกรรมเนี่ยมันต้องลือกคิดได้ด้วยตัวเองชีวิตนีแต่ในขณะนี้ก็มันสะสมอะไรมาเยอะแยะมากสะสมมากต้องเอาชนะคนอื่นต้องเอาชนะต้องไปยืนอยู่แถวหน้าของคนต้องอันนั้ต้องเอาชนะหลวงพ่อนี่ให้ได้อะไรนี้เนี่ยมันมากมายหลากหลายยี่ยี่สิบเท่าไหร่ไม่ใช่ยี่ยสา ย, ส, ายสี่ ย, ส ย, สยีสี่ปี 2ี่ี่ปีก็คือยี่สิปีนี่ยแหละยี่สิบปีผ่านไปที่เจอเขามานะจบปริญญาคิดความภูมิใจว่าเฮ้กูบวชเรีย น, นจนจบปริญญาแล้วนะเนี่ยนะไม่เจอท่านผู้มีพระคุณมายี่สิบปีื่งทีก็นึกนะเรียนอ่านหนังสือไป น, ะนึ ก, น, กนึกถึงหน้าถึงตาก็อยากไปชวนเขาเนีย เฮ้เป็นรับแกมารับปริญญาไม่ความภูมิใจนี่แล้แกจะว่ายังไงอะ่ะไม้ภายเรือ ก, กูก็ไม่กลัวแล้วตัวเท่ากันแล้วทีนี้ปรามานั้ฟาดมา ก, กูก็เอาคืนแล้ะทีนี้นะมึงคิดอย่างงั้นเน่คือมันมีแรงต้านเฮ้กูลองกลับบ้านดูดิเบื่อกูจะลงบ้านละยี่สิบปีนะมันรวดเร็วเหมือนนิทานนะกลับไปบ้าน จะไปตามคนเนี่ยเพื่อจะไปรับปริญญาด้วยบวชเป็นพระเนี่ยได้รับปริญญาไปตามหาเข้าบ้านหน้าตาแกจะเป็นยังไงเนาะรูปร่างแกจะเป็นยังไงกหมืนึกไปก่อนเนาะไปพอไปลงรถปุ๊บที่ปากทางเข้าบ้านถามเขาโอ้เป็นไรสาละวะเอาเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเอาไปดังนี้ก็มีนะ <c oughs> เรื่องธรรมะธรรมูนี้หลวงตาเล่าไม่เป็นสมัยพุทธ ก, กาลเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าแต่เรื่องปัจจุบันนี่พอได้อยู่เอามาเอาสาระมันว่างพูดถึงเรื่องเรื่องจิตที่มันสะสมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่าไม่เท่ากับเท่ากับคนนี้ความคิดนะ่ะความเครียดแค้นความจริงชังความปยาบาดความอะไรต่างเนี่ย มากมายหลากหลายน้องไม่เคยเจอหน้ากันมาเอาเท่าไหรยี่สิบปีขึ้นเนะี่ยชีวิตไปเจอแนละ้วมันจะคิดว่ามันเป็นพี่มันเลยแต่แต่มันยังไม่เกิดนั่นแนะ่ะแต่มันเกิดมาได้ปีหนึ่งนั่นนะพี่คนอื่นดูหน้าดูตานะเสือ้อลายเสื้อขาวเสื้อนั้นนะแล้วพี่มันมีสโลงนุ่งแบบนี้มันจะคิดแล้วว่าเป็นพี่มันจิตเนี่ยไปเจอกันเนี่ย คำแรกที่แกพูดเนี่ยเป็นยังไงเธอรู้จักไหมว่าจะไม่พูดแล้วนะเนี่ยเอาไม่พูดดีกว่าว่ะนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีความเครียดแค้นจริงชงไม่มีอะไรหรอกในนั้นเมื่อก่อนนะมันมีแต่ตอนนั้นตอนไปนะั่นก็ไม่มีแลนะ้วเพราะมันได้ปริญญาขี้มันก็ยิ่งเพิ่มความภูมิใจความภูมิใจนี้มาทับระดับหนึ่งนะแต่ภาพไม้ภผยเรือที่กระทบเนี่ย มันจำไนดะ้พอว่างตับเลยสลบหายไปเลยตั้งแต่นั้นมาเนะ่ยนะแล้วก็หายไปเลยชีวิตนี่เขาเขาไม่ตามเพราะว่าเด็ดขาดมากนะไม่เคยตามไม่เคยคิดนะถ้าพ่อแม่เธอเธอนีนะ่ถ้ามาปฏิบัติทำบอกว่ามาสีวนันถ้าเกินสีวันไปหอนมันเป็นลงทัศน์วิมหานั่นนี่ประกาศข่าวหานะงูขนาดนะันพ่อแม่เราเนะ่ะอุปทานเะน่ยยึดเนะี่ยลูกกูลูกกูลูกกูเนี่ยยึดขนาดนั้น แต่นี่ไม่ฉนั้นเราทั้งหลายอดคนบ้างอะไรบ้างเป็นตัวของตัวเองบ้างเข้มแข็งบ้างชีวิตเนี่ยปล่อยวางบ้างแต่อย่ามีทิฏฐิมานะเป็นแบบนี้ก็ไม่ดีอ่ะทีนถ้าอยากให้อันนี้ออกถ้าอยากให้อันนี้ออกมันมีวิธีอ่ะอันนี้มันไปสะสมอยู่ที่ไหนนี่ไปสะสมที่ไหนอันนี้ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปสะสมอยู่ที่ไหนที่จิตนะนี่อยู่ที่จิตเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะล้างจิตเนะี่ยขบวนการดีทอกจิตเราเนี่ยเราจะทำยังไงนก็คือมีตัวยาเม็ดเดียวครั้งเดียวกินเข้าไปเนี่ยถ่ายออกมาได้เบนดาหินเข้าไปเนี่ยออกมดเละไอ้ที่มีในใจนี่ความคิดความปรุงแต่งอะไรทุกมันมาอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยมันเป็นอะีรมันเป็นอารมณ์ มันไม่ได้มีจริงอะแต่มันสะสมความน้อยเนื้อแต้มใจคําอะไรก็ตามเนะ่ยรวมเรียกว่ารุมเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรทุกมันทุกสภาพทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ที่ฝังอยู่เนี่ยความคิดอยากไปอดีตไปอนาคตก็เกิดจะทุกอยากไปอดีตก็เกิดจะทุกแต่มันก็ออกมาจากอันนี้ ออมาจากนี้อาจออกจากกาันไม่รู้แจ้งนี่ไอ้ความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันออกจากมาจา ก, จากความไม่รู้ไม่รู้มันจึงคิดแต่ถ้ารู้มันก็ไม่คิดเอาวิชาคือความรู้แจ้งความรู้แจ้งนี่ได้มาจากไหนได้จากหนึ่งถ้าอันนั้นก็มจกัจากสติปัฏฐานแต่จะได้จากสติปัฏฐานก็คือได้ยินได้ฟัง อืคนเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่ในนี้คงได้ยินคงมาที่นี่เพราะมีคนชักชวนอันดับแรกก็คือเกิดจากความคิดก่อนบางคนไม่ได้คิดนะแต่มีคนชวนมาแล้วก็เลยมาคพราหื่นชวนเขาเรียกว่ากาลยานนิมิตก็มาเลยแต่บางทีคนยังไม่ได้ชวนนะ่ะ แต่มันคิดได้อ่านหนังสือธรรมะธรรมงหนังสือก็คือกัลยาณมิตรอ๋อก็เนืงก็สมัครไปเขาก็บอกแจ้งเข่ามันก็เลยอยากมาประมาณนะั้นคือมันคิดดีอ่ะคิดดีดก็คือคิดละเอียดห้องโนนี่คิดเอ๊ะน่าจะได้ไประโยชนะ์นะนะเราก็เป็นทุกข์เพราะความคิดความปรุงแต่นะ่า่จะไปปฏิบัติทำเฮ้ยถ้าไปปฏิบัติแล้วมันทุกข์เราคุณจะทํำยังไงเนี่ยคำว่าเดินทั้งวันนะเอาเป็นเราตายนะลําบากมากนะ ความคิดมันอยู่ในใจมันคงออกเห็นไหมมันอยู่ไม่รู้กี่รอบกี่ปลอกเธอเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็คิดมากกว่านั้นแล้วมาเดินจุกงบางทีบางคนทํายังไม่เป็นก็คิดมากอีกมันเหมือนไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนใหม่ๆที่แรกเข้ามหาลัยเนี่ยคิดมากมันอยากกลับบ้านมันทุกปัญหาเยอะแยะแต่พอมันเพลินมันก็จะทําเป็นหรอกก็อยู่เขาได้แล้วไม่กลับบ้านเลยใมหาลัยนะแต่ใหม่ใมมันก็ยังเป็นแหละธรรมดา อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนะมีคนชวนอันนี้ก็มีความคิดที่มันละเอียดละออนหน่อยคนชวนเขาเรียกว่าสุตะคือได้ยินได้ฟังอ่ะแต่คนนั้นคนนี้ก็มีพลังยามาปุ๊บก็ามามาฝึกสติฝึกสติปัญฐาแต่ก่อนสติธรรมดาของเราชีวิตเราสติแบบธรรมดามีเหตุมีผลเราพัฒนาแต่ตัวนี้ พัฒนาจําให้เก่งๆอยูีวิตถีบ้านนะพัฒนาความจำอยู่ที่บา้านจําเก่งแล้วก็พัฒนารูปรูปกายรูปความคิดรูปกายก็แต่งเนื้อแต่งตัวทาแป้งวีผมตาทำให้มันสวยมันงามดูดีนี่นีท่านหมวเป็นอันิีจังนะอันิีจังนะอนาตานะแต่ละาสวนกระแสเราแต่งเนื้อแต่งตัวแ ต, งต่งโน่นแ ต, ต่แตตแตตนี่ซื้อทองซื้ออะไรมันใสอยู่นั่นแหละใส่เข้าใส่เข้าใส่ออก ทองเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วบาทเท่าไหร่หมื่นเจ็ดกว่าเหร อ, อเจ็ดกว่านะอันนี้คนขายทองก็มานะเนี่ยเขารู้ว่าทองมันนี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่มันต้องปฏิบททัติทมพัฒนาความรู้สึกความรู้สึกอ่ะทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอารูปรถกินเสียงมาใส่เนี่ยมากขึ้นความจำความคิด และการรับรู้การรับรู้กันรู้แต่เรื่องไร้สาระเรื่องรามมกจบเปิดอะไรไปเรื่อยๆชีวิตเนี่ยเห็นไหมลอนตาเคยพูดนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันใครบ้างที่รู้เรื่องเบอร์เราเนี่ยถ้าเราไม่บอกใครใครรู้ใครรู้บริษัทที่ให้สัมปทานเขาคงรู้เขาคงไปขาย เ, ยเนอะ พอวันพอหนึ่งพอไปเปิดรูปอ้าวคลิปหลุดน้องแนทเชิญชมได้อะไรพวมานั่นเอามาแล้วเบอร์นั่นเบอร์นี่ตีดต่อทำไมไม่ฟ้องนะทำไมไม่พอฟ้องปปชสิทธิ์ของเรานะ่ยทำไมให้คนอื่นเอาไปใช้ทำไมมันลุกล้ำเข้ามาขนาดนั้น เขาน่าจะคุ้มครองอันนี้แต่เขาไปขายทีเล็กเลยเลยนะเอาะอยู่ที่เราไม่โทรออกเนยะแต่ก็รำคาญมันมันมาเยอะตรงนี้ไอ้ น, นั่น น, นี้ถ้าสมมติมีคนหลงโทรไปแหละมันจะเป็นยังไงนาทีละเท่านั้นเท่านี้มันก็นจะยากไปอีกแหละแต่คนไม่ค่อยคิดอันนี้เหมือนนายกนะส่งอะไรส่งเอ s เอมไปหาคนนั้นคนนี้นาทีละสาบาท ล้านแปดแสนเบอร์คิดออกมาแล้วก็น่าจะเกินสามพันบาทเช่ยอ์องขวัญที่คนส่งเข้ามาในวันที่นายยกได้อา้าวน่าจะผิด ก, ก็ต้อน่าจะสั่งยุบได้ดูมันเอามาการเมืองแล้วนะเนี่ยแต่ก็เนื่องจากว่าเอาเขามีต้นทุนทางสังคมสูงอา้าวก็ทวงไปเรื่อยๆทวงไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้เลย ก็ยากลําบากพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันมากมายหลากหลายมันเข้าตรงนั้นบ้างเข้าตรงนี้บ้างมากจนจนจนคนปัจจุบันเนี่ยที่ไม่มีสติเนี่ยแย่แยะไม่ออกจะแย่แยะอะไรก็ไม่ได้มันติดมันก็เลยเพลินไปกับรูปรถกินเสียงบ่าพัฒนามากเนี่แต่อย่างนี้ตลอดเราไม่ได้พัฒนาแบบนี้จะให้คิดละเอียดเลยโอ้ทาไมกูจึงคิดว่า กูเป็นทุกข้อความคิดนะเนี่ยความปรุงแต่งนะเนี่ยอย่าโน้นอย่างนี้นะมันไม่มีหลักสูตรการศึกษาเราก็ไม่มีไม่มีว่าสอนให้ออกจากความคิดเนี่ยเขาไม่ได้สอนมีแต่สอนให้คิดมากและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยนะฮะเอา้าเทคโนโปทุมวันกับอุเทนถวายเนี่ยถ้ามาฝึกอย่างนี้นจะดีไหมโนตาถามนะจะดีไหมฝึกสติเนี่ย คือเขาทำมาหมดแล้ววิธีการที่เขาฝึกหัดเนี่ยฝึกหมดอรมันไม่เห็นดีขึ้นน่ะถ้าได้ฝึกสติบ้างมันอาจจะดีขึ้นอันนี้ไปเข้าโรงเรียนวิวัตรพลเมืองมาหลายรอบแล้วรู้ตา ว, ว่าส่วนหนึ่งก็คือเสนอเขาให้วัดธรรมกายเอาไปฝึกที่วัดธรรมกายเขาจะฝึกกิริยามาได้ฝึกนู่นน่าจะดีอะ่ะแต่นี้มันอยู่ตื้นไป แต่พวกนี้ก็มีเฉพาะแต่หัวโจกทั้งนั้นนะมันก็ยากลําบากนั้นทำอย่างเดียวก็คือฝึกสติเอาไว้เนี่ยเราก็ฝึกสติเอาไว้เวลาขึ้นรถเมลรถบัสก็อย่าใส่เสื้อชุดนั้นอย่าใส่หัวเข็มขัดแบบนัน้นมีคนหนึ่งไปเรียนของเขาเขาสอนให้ว่าเวลาขึ้นรถบัสจะวางสับ ป, ปัตาอย่างไงแกนึกว่านึกว่าไปทีเรียนหนังสือที่ไหนแต่เขาฝึกลบหาวิไลเขานะ่ะเน็บยังไงอะ่ะเวลานั่งรถบัสนี่ เอาไว้ตรงไหนรประมาณนเข็มขันต้องดึงออกได้ยงหัวมาในสำหรับเวียงตีคนได้เขาสอนหลวงตาว่ามาอยู่วัดสวนนัดสอนหนักกว่านั่นคิดดูนะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่มันก็เหมือนมีเพราะอะไรเพราะเราหลงเข้าไปใน ด, ดงอ่นนี้ดงของความคิดเนี่ย ขยับมาทีนี้สติปัญญานมีอะไรบ้างก็กายเวิิตธรรมเอาดูกายดูกายนี้เห็นเวทนาไหมเห็นไหมดูกายตอนนี้กายนะกายก็คือเฉยเฉยกายร่างกายดูร่างกาย ด, าายดูตาหูดูอะไรก็ได้อาการ32มสองตาหูจมูกดิ้นกายใจลมในท้องในไส้แขนขาตีนมือดีเสล็ดหนองเห็นอะไรปรนะมาณนั้น แต่ว่าไปดูข้างในมันไม่ค่อยได้เลยดูข้างนอกดูอาการมันมันเหมือนกันตาก็มีไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ก็จิตจิตใจก็คือความคิดเรานั่นแหละจิตจิตนี่เป็นตัวปัญหาปัญหาที่ทําให้กายกลายนี้ได้มาจากพ่อจากแม่เป็นกรรมมาพันได้มาแล้วเป็นแบบนี้แหละรูปร่างหน้าตาเป็นนี้ทําเกินนี้ไม่ได้หรอกนอกจากตายแล้วก็เกิดใหม่ สีมันก็ได้เท่านี้แหละผมขนเล็บฟันหนังในรูปร่างหน้าตาได้แค่นี้ยได้เท่านี้แต่ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวจิตเนี่ยตัวจิตมันคิดให้คิดให้คิดให้มันคิดแต่ละวันละวันเนี่ยยิ่งมันน้อยเนื้อต่ําใจยิ่งไม่มีโอกาสทางสองคนแถวนั้นก็ลิงคิดทางรัดนะคิดทางรัดอา้าวให้ผู้แทนไปเลือกตั้งผู้แทนผู้แทนมันไม่เลือกเอาทำํำไงเนาะกูก็อยากมีอำนาจ เอาเขามามีปัญหาอย่างโน้นนี่เอาปฏิวัตินี่เงี้ยเห็นไหมไปทางรัฐซ่าอันนี้ก็เหมือนกันปล้นจี้ฆ่าอะไรประมาณนั้นไปอย่างนั้นเพราะว่ามีความต้องการทางรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนกันแหะต้องการอำนาจวาสนามเหมือนจิตมันมีแต่มันไม่ต้องการรู้ธรรมชาติของชีวิตมันเองเนี่ยแต่มันไหลไปตามกระแสนั้นมากไปมันก็ปฏิบัติธรรมนะเนี่ให้ปฏิบัติก็เฝ้าดูนะดูกายกับดูจิตปัญหาที่มากที่สุดก็คือเกิดที่จิตนะ กายจิตเป็นนายกายเป็นเป็นตัวทํานะกายเนี่ยมันทําตามนะแต่จิตเป็นตัวสั่งนะจิต เ, เป็นตัวสั่งกายทัานก็มาดูกายใหม่ๆก็ดูกายฝึกลเลึกๆรู้ให้อยู่กับกายแต่อยู่กับกายนี่ก็เกิดการรู้แจ้งได้เพราะดูกายมันก็เห็นจิตเดินไปในง่วงไม้เวลาเขาถามน ะ, นะไม่ได้ถามทีมึงเห็นตัวมึงไหมไม่ได้ถาม มาง่วงไหมเดินไปเดินมานี้เบื่อไหมเอาออกได้ไหมโอ้ยวันนี้โลง่งวันนี้โปรง่งในหลายคนนะเมื่อวานเห็นหลายคนอย่างน้อยก็สี่ห้าคนนะเอาเขาเริ่มเขาโปรง่งเขาจิตแจ่มใสขึ้นมานะแต่บางคนก็ยังเซ็งอยู่นั่งเขียนตำหลับตำลาอยู่ในพื้นดินอยู่วุฒิบรุริตำลาสอนอะไรก็ไม่รู้นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละดูกายก็จะเห็นเวทนา แต่ว <pouch. S 2> ่าเวทนาในผ่านได้ไหมเห็นความคิดไหมเห็นอะไรเข้ามาในใจไห่เห็นอะไรเข้ามาไหมเห็นอะไรมันแวบขึ้นมาไหมแวบความเห็นมันเกี่ยวพันทีละน้อยทีน้อยนี่มันคิดอย่างนันคิดอย่างนี้เห็นไหมบางทีก็เห็นนะมันได้สองสี่วงเน่ยวงที่เข้ามาในใจนี่ความคิดแวบขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเริ่มเกี่ยวพันเนี่ยพอมันได้สองสวงตัดชุดขาดไปบางทีก็ได้วงหนึ่งมันกําลังเกี่ยวมันชุด เอาว่งที่สิบรอบแล้วนี่ตั้งแต่เช้าจนค่ำจนค่ตทีละครั้งแม่งเอาชุดละครังช่วยกูถ้างนันกูก็คิดทั้งวันหัวจะระเบิดใจไม่รู้จักอไอ้จี้เป็เป็นวงวงวงวงงเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งจนจบเรื่องเรื่องหนึ่งจนมันเกิดขึ้นแล้วก็พอใจเมตพอใจวิชาสังขารวิญญาณนำ้ำหลวงระลักผัสสเวทนาตัณหาอุปท า, านพบชาติเนี่ยเขาเรียกว่าปะติดจะเนี่ยสมุปบาทอุปาทานะคือการเกิดขึ้น การเกิดขึ้นแล้วปฏิทมันปฏิทประตะกันคิดอันนี้เลยต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อเนี้ต่อเนี้ต่อเนี้ต่อต่อต่อไปพอใจไม่พอใจอำนาจของตันหาคิดต่อตมันเป็นวงวงวงจบเรื่องหนึ่งก็ดับไปเขาเรียกว่าปฏิทจะสมุปบาทการปฏิทประตะกันของความคิดเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมาตัดวงอันนี้ไม่ให้มันต่อเรื่องต่อเนื่องกันความคิดเนี่ยอย่ามันต่อ พอคิดมาตัดออกคิดมาตัดออกอย่าให้มันต่ออย่าให้มันยืดมันยาวถ้ามันไม่ยืดยํามันก็ไม่เป็นทุกข์ขันห้าเนี่ยมันมีแต่รูปปุ๊บขึ้นมาตัดเลยมันมีเวทนาเห็นเวทนาตัดตรงเวทนาเกิดตรงสัญญาตัดตรงสัญญาเกิดตรงสังขารตัดตรงสังขารเกิดตรงวิญญาณสภาวะมันจะรู้แต่งตัดท่านตัวไหนตัดตอนนั้นนะแต่เราต้องฝึกกําหนดรู้ฝึกตัดการกําหนดรู้เลยคือการฝึกตัดเมื่อไหร่ที่เราดึงกลับมารู้อยู่ที่กาย มันก็ไม่ไปกับความคิดนะฮะแม่เราเมื่อคิดปุ๊บอ้ไม่ต้องตัดคิดโอ้คิดอีกแล้วกรรมารู้นี่ก็หายไปนะกรรมารู้ก็หายไปกาลังสร้างจะหวะอยมันกําลังแว่ไปกรรมารู้ก็หายไปกรรมารู้เน้นที่ตัวรู้แต่ถ้าไปเน้นที่จ้องดูว่าอมันคิดด้นะตัดความคิดมันคิดด้นะตัดความคิดแล้วจะเพลียแล้วจะเมื่อยปวดว้ยไม่กล้าหน้ามิติคิดกับคิดเมื่อยตัดตัดเท่าไหร่มันก็มาอีกเรื่อยๆ มันเหมือนไอมีบานะมันมาหรอกมาอีกมาหรอกมาอีกมาหลอมาอีกแตกยิ่งแตกเ้าไปหลายเรื่องหลายตัวหลายอันมันต้องมีดาบกายสิทธ์ตัดชัข้างเดียวแล้วไม่เกิดอีกเลยอันก็คือต้องเกิดวิปัชนายานเกิดวัชระยานนะฮะมันถึงจะตัดได้นั้นเราก็บางทีตัดเรื่องนี้มันก็เรื่องนั้นมาตัดเรื่องนั้นนั้นมาตัด น, นีมันไม่มีดาบพิเศษไง มันไม่มีการรู้แจ้งเห็นถ้าเห็นแจ้งนี่นะมันตัดพร้อมกับเก็บพวกนี้หมดเลยเนี่ยหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีอยู่นี้มันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนี่คือเรื่องนี้อยู่คือเพราะตัดจบครับตัดบวก็เหลือเยือใหญ่ตัดจิตตัดใจก็เหลืออยู่อารมณ์เนี่ยมันยังมีอยู่นะความคิดเนี่ยคิดถึงจยู่หัวาอะไรตัดมันให้หมดนะตัดออกไปเลย ย่งตัดง่วงนี่พอตัดง่วงก็ยังมีความคิดอยู่นีย่ยังมีเยื่อใยอยู่ตอนเดินจูกรมความคิดเนี่ยตัดออกแต่คนมันไม่ค่อยตัดนะคือตัดความคิดเนี่ยตัดให้มันตัดออกคือใหม่ๆก็คือไม่ต้องตัดออกเขาเขาเขาใช้ควาว่านี้หนึ่งตัดสองจาคะจาคะก็คือจาคะคือออกจาคะเหมือนบริจาคเนะทิ้งะนะครแปลว่าทิ้งความคิด อันนี้คือตัดอันนี้คือจาระอันนี้ปฏินิสขะคือสลัดคืนมันมาทาันคืนไปคิดเรื่องอะไรค้นไปเท่านั้นมุตติรู้จักมุตนะปล่อยวางปล่อยเลยวางเลยนะฮะอานาลโยอานาลโยก็คือไม่อะไรอย่าอะไรอาวร์ไม่อะไรอววรกับความคิดไม่ทคิดมันยอย่าแยแยอวรมัน นั่นพาว่าพวกนี้เนี่มันต้องชำนาญ น, นะมันจะทําเป็นนะถ้าไม่ชำนาญมันทําไม่เป็นนะนที่จะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทนี้ขาดเนี่ยมันต้องเกิดปัญญาแหละต้องเกิดวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาคือแปลว่าการรู้แจ้งการเห็นแจ้งพอเห็นแล้วมันแจ้งคาว่าแจ้งนี่คือพวกนี้หมดนะนี่ๆๆไม่ใช่เข้าใจนะมันแจ้งแบบนี้หายไปหมดเลยเนะี่ย ทุกมันหายรู้แจ้งในทุกเนี่ยนีพอมันรู้แจ้งข้อหนึ่งนี่มันไปเลยนะอย่างเงี้โยโวยทุกมันหมดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะเห็นทางนี่แล้วก็จะทําอีกทําอีกเพื่ออะไรเพื่อลบอันนี้อีกนะเฮ้ยปฏิบัติมาที่โทสะหายไปแล้วโอ้โทสะขับผิดเรื่องอยู่ที่ใจนะทีนี้โลภะเอาาัาราฆะทีนี้กามมันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนาะมันอยู่ที่ใจเนาะปฏิบัติทำอีกพอปฏิบัติทำมันก็จะหายไป หาย ไ, ไปอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหมดมันหมดไปนี่ก็เรียกว่าสิ้นอาสวะถ้ามันหมดนี่แต่ถ้ามันยังเหลืออยู่เนีเป็นเงาเงเป็นลางๆเป็นอะไรอยู่ก็เป็นอาสวะอยู่ก็ต้องทํายีกทำอยู่อย่างงี้ยระลึกรู้อยู่เหมือนเดิมคือเข้าใจระดับไหนก็ระลึกรู้อยู่ที่จิตเหมือนเดิมคือเฝ้าดูจิตเหมือนเดิมอะไรที่ที่เกิดขึ้นนี้เฝ้าดูเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าทํามันนี้เข้าใจแล้วไปทํามันนั้นทํานั้นเข้าใจแล้วไปทำมันนี้ไม่ใช่ก็เฝ้าดูเหมือนเดิมสติพึงสติยกมืืืออออสสรรร้้าาางงงจจจัหวะะนีเเเพ่่ไุดดปคค์ขฝูทิต เขาเลยลึกรู้ดูใจดูใจตัวเองลมหายใจเลยดูลมหายใจในอานาปานแล้วก็คือเฝ้าดูจิตแต่ถ้าอยู่แต่กับลมหายใจก็ไม่เห็นนั น, น, นก็อีกละมันก็ไม่เปิดประโยชน์เลยคือฝึกสติให้สติมันลงลากลึกลึกเข้ามาถึงใจให้ได้อะเอานี้ให้ออกนะนี่ทีแรกก็ได้เจตัดนะได้เจตัดตั ด, นะ ด, ต ด, ต ด, ตดจิตตัดใจตัดความคิดตัดได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าตัดไม่ได้ทําไงตัดไม่ได้รีบมามารู้สึกกลัวใหม่ แสดงว่าสติมันอ่อนความคมมันไม่มีรับไปเรื่อยรับมีดไปเรื่อยรับไปพอมันมาความคิดมาพอเห็นนะพอเห็นนั่นมันขาดออไปเลยเนี่เขาเรียกว่ามันคมความคมมันพอแต่ถ้าพอไปตัดดูแล้วมันไม่ได้แล้วรีบหนีเข้ากลับบ้านเหมือนมีค่าศึกมานี่ยออกไปตีเขาตีแล้วมันไม่ล้มนะทําไงหนีนะหนีนะถ้าท่านตายนะเถิด มาเอาคืนอย่ารีบเข้าบ้านและรีบปิดประตูรีบกลับเข้ามาอยู่ข้างในมารู้สึกตัวโยกกายรู้สึกตัวซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมไว้บันทีมก็ตามมานะตามเข้ามาข้างในตามเข้ามาคิดแล้วก็รู้สึกพยายามรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมันตื่นตัวแล้วออกไปใหม่ทีนี้เหมือนคนว่ายน้ำว่ายตื้นตื่นก่อนพอเป็นระไวยลงมาลึกๆว่ายลึกๆลึกๆได้แต่ใหม่ๆนี่อย่าออกไปลึกเหมือนกันดูความคิดก็ดูแต่ความคิดน้อยทีแรกนี่ความคิดใหญ่รีบหนีกับเข้ามาอยู่กาย ให้รู้สึกมากขึ้นแล้วออกไปแต่แอบดูมันอยู่เหมือนกันแหละมันคิดอีอะไรนะเนี่ยคิดก็ไม่สนเพราะสติกูน้อยวันนึ่งถ้าสติกูเยอะและมึงมึงมึงมึตอนนี้มึงคิดไปก่อนเถอะมึงคิดไปก่อนเถอะปล่อยมึงคิดไปมันคิดบ้างแต่เราก็หลบไปหลบมาหลบไปหลบมาแน่แน่บางทียังมันคิดมากเลยเอาไม้กวาดมากวาดกวาดไปกวาดไปก็รู้อยู่กับกันกวาดแต่สังเกตนะบางทีก็ไปอาบน้าบ้างทํารถตอนนี้แบบแต่ก็ดูอ้มันยังคิดอยู่นะเนี่ยกูไม่ถอยล่ะแต่กูสู้มึงไม่ได้เนี่ย หลบไปหลบมาอย่างนี้ะก็คือลึกๆ ก, ก็คือจะฆ่ามันนั่นแหละแต่เราต้องมีลีลาสักหน่อยืนะาอคนให้กูซูมึงไม่ได้กูเป็นนั่งหลับก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวกูลุกมากูมีกําลังก่อนอะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นหลับมันแพ้มันนั้นมันเหยียบแล้วนั่นอยู่ที่ไหนที่เชียงใหม่ไปถามยมเขาไปฝึกไปฝึกอยู่ครับถ้ากลุ่มหนึ่งที่ท่านขึ้นไปฝึกเนี่ยเนะไปเยี่ยมเขา ฝึกแบบสร้างจังหวะนี่แหละแต่ท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่คือใครจะนอนก็นอนใครจะกินสามื้อก็กินใครจะไปนั่งชมวิวดูเรือไหลไปเรื่อยมาก็แล้วแต่ใครอยู่ที่ไหนก็เป็นคนนอนก็ไปนอนไม่ถามเอาโยมทําไม่มานอนละ่ะท่านไม่ว่าเลยพี่นอนเนี่เพราะกิเลสมันเข้ามาเข้าไว้ ตัวง่วงเนี่ยมันเป็นกิเลส ท, ที่มันหนักมากหนูสู้มันไม่ได้สักทีเลยก็เลยตั้งใจว่าจะมานอนทับกิเลสให้มันตายไปเลยพี่นะ่โอ้โหมันพูดจางมั่นใจนมันจะมานอนทับกิเลสทั้งมึงนี่วะมันมานอนทับกิเลสนอนให้มันตายไปเลยอกิเลสตัวนี้มันมาทุกทีมาอยู่ได้สี่วันแล้วยังไม่นอดสักวันกค่ว่าโอ้โหเราก็ไม่มีหน้าที่สอนนะไปเยี่ยมเขาเฉยๆก็เลยโอ้ ทำถูกแล้ว ว, ะว่ะเห็นด้วยเห็นด้วยหลวงพ่อก็ไม่ทําแบบนี้ตอนหลงพ่อทํำด้วยว ม, มันก็ไม่ถามว่าทําแบบไหนเราอุตส่าห์วางไว้แล้วเงื่อนไขแล้วมันไม่ถามเลยแล้วพวกนี้จะเอายังไงพวกนี้เขาจะนอนเอาตั้งแต่ผมจะไม่ไปทําวัดนอนทับมันตั้งแต่เตช้าเละ แ, แ, แล้วกินข้าวมาเราค่อยจะปฏิบัติต่อสู้จะเอาจริงเอาจังล่ะแต่จะไม่ตื่นกับเขาพวงนี้นะ แล้วท่านไม่ว่าไม่เขาไม่ว่าหรอกไปตอนไหนก็ได้ไม่ไปตอนไหนก็ได้มันบางทีพระก็หลับเมื่อเล่านี่แหละเอาหนักเข้าไปโอ้ไปหนีเองเนาะแค่าถามว่ามาจากไหนหลวงพ่อมาจากไหนอ่ะมาจากวัดป่าส ม, มนัทสะกดก่อนโอ้ยเขาว่าเข่งนะวัดนั้นนะ่ะไม่ใช่หรอก่ก็นะธรรมดานี่แหละนะหลูงตาท่านไม่ได้มาเลยเขาถามไม่ได้มา嘛ไม่ได้มา ได้ยินเขาว่าท่านเข่งคัดมากแล้วท่านไปอยู่กับเขาได้ยังไงมันถามเราเนาะว่ามันอยู่เขาได้ยังไงโอ้มันว่ากูนะนี่วะก็อยู่ไปงั้นแหละวะธรรมาก็เบื่อหน่ายเหมือนกันว่าจะสึกอยู่บวชได้งานได้ยังสองปีวะสปีแต่เขาว่าเข่งงั้นคนก็รู้ธรรมะนะมันว่านะธรรมะก็ทนอยู่เผื่อว่าจะรู้บ้างแล้วท่านรู้ได้ยังไงยังไม่รู้บ้างทำไมไม่รู้ ก็เหมือนกันนี่แล้วนอนทับกี่เด็ดเหมือนกันนี่แล้ววะอาตมานอนทับมาก่อนโยมแล้วก็ตั้งสองปีโยมมาคอดเยอะหนึ่งสองเจ็ดวันเนี่ยได้สี่วันโยมนํานอนทับตลอดเนี่ยมันยังไม่เกิดจะมานอนทับมาสองปีได้เนี่ยว่ามันไม่ออกอ่ะมัน่าจะเปลี่ยนวิธีนะต้องสู้นเดี๋ยวนี้อาตมาสู้เลยนะบอกเขาว่ามันสู้ไม่ได้หรอกท้ามงวงเลยมันเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดแล้วมันกรว่าอย่างนั้นนี่นะก็จะคุยไปคุยมาคือยาวขึ้นยาวขึ้นนะ กำลังคุยอยู่เอ้คนหนึ่งวง่าลูกตาค้าเนี่ยมันจะมีคนมารู้เราแล้วที่นี่ก<ร>็เลยบอกโอ้มาหาใครวะเลยเดินตามหลีกไปเลยคุยไม่จบกับคนนี้มันรู้ก่อนกลัวมันถามว่าเราโกหกเอาอันนี้ขายยาเฉยๆหรอกก็ปฏิบัติตามนี้แหละเราตัดทีละน้อยละน้อยเราทํำไหมนี่เราทำไหมสีที่พูดสิทํำไหมก็ทํำนะ ทุกอันทุกขั้นทุกตอนทำแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาจัดระบบว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนั่นก็ทําวันนี้ก็ตัดออกตัดออกเพราะว่าความคิดมันเป็นทุกความลงแต่งเป็นทุกในขณะเดียวกันคำ ว, ว่าให้รู้สึกตลอดเวลาถ้าอยากเข้มแข็งเร็วนี่เดินไปแนละ้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกกําหนดรู้ทําให้มันต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าคุณกําหนดรู้ต่อเนื่องนี่มีดคุณจะคมมีดเป็นยังไงมีดมันจะคมนะ เวลาฟันเนี่ยมันจะชั่วทันดีอเหมือนฟันแตงโมูน่ะชัทัดีมันแตกเลยเนี่ยเทนี้มันไม่ได้ยิ่งฟันก็ยิ่งนะก็ยิ่งเบื่อยิ่งหน่นะอันที่พูดให้ฟังนี่ไม่ให้เอาไปนอนทับนะปฏิบัติทำเนี่ยทับไม่แหงมันเลยวันนี้กูได้อบายไม่ต้องลงตาแล้วไม่ได้หรอมันจะพับเพิ่มก็ค่อยๆทาแบบนี้แหละค่อยๆทาไปทําไปทำไปดูไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปห่วงว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมน่ะดูกายก็คือเรารลูกกายเนี่ยแหละดูเวทนาก็เห็นนี่แหละเมื่อยมันพอใจไม่พอใจนี่ดูจิตก็รู้ว่ามันว่างมันไม่ว่างนี่แหละมันไปด้วยกันน่ยดูธรรมมาก็คือตอนที่สบายไม่สบายงุนหิดไม่งุนิดก็เห็นอยู่ง่วงไม่ง่วงนี่แหละคือมันดูไปพร้อมกันเลยกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ขึ้นทีแล้วสเต็ปสเต็ปไม่ใช่มันไปพร้อมกันเพียงแต่ว่าอันไหนที่เราดูยากเราก็อยพิ่งไปสนใจอันนั้น ดูความคิดเนี่ยมันดูยากกาอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งสนใจมันเท่าไหร่ให้เน้นอยู่กับกายก่อนคืออยู่ป้อนึงก็ป้อนึงก่อนอย่าเพิ่งไปทําสมการทําอะไรมันมันยากนะดูความคิดเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆแต่บางคนมันมีจิตมันดีนะบางทีเขาไปดูอารมณ์ดูอะไรมันปิ้งขึ้นมาได้แต่ดีนะคือปิ้งก็ปิ้งหายเลยนะมันหายไปเลยเนี่ยมันว่างมันโล่งมันโปร่งเกิดปิติเกิดรู้ทันทีละว่าจุดดับมันอยู่ตรงไหนก็จะรู้ อันก็นเลยรู้ไว้เลยรู้ไว้แต่ก็สังเกต ด, ดูกายเวทนาจิต ท, ทำไปพร้อมกันอันนี้อาจจะเป็นกายสักเท่าไหร่น ะ, ะกายสักกายนะสักเจดเนีเวทนา 10, จิตสักสิบสักสบรวมเป็นเท่าไหร่เนะี่ยสตินี่ดูกายหนัหนกรู้ไปแต่ไปจ้องเป็นะดูกายเนะี่ยถ้า100เเตเต็มก็คือ มันจะมึนหัวมันควรจะแน่นหน้าอกจะอยากอาเจียนแล้วก็แก้ไขด้วยมองไปไกลๆมองดูนั่นบ้างมองดูนี้บ้างให้มันคลายแล้วก็มาทําใหม่นั่งทํามากๆก็จะเบื่อก็เดินหรือบางทีเอาไปอยากอาเจียนนักเหรอเดินให้มันอาเจียนไปเลยบางดีนี่คือสู้ไปเลยเนะ่ยบางที่มันอยู่ตรงนั้นมีคนคนหนึ่งมาหานูกทำเวร ตาเหมัอนมืนว่วานนีฟิลก็เริ่จะขาดแบบจะล้มแหลมีล้มแหลมนะผมก็ฝืนฝืนไปอยู่ๆก็โล่งขึ้นมานะโอ้ยดีใจเขาเลยนะแต่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ที่สุดของทุกคือมันทุกข์มากๆแล้วมันจะเห็นที่สุดทุกข์หรอกนะเขาเรียกว่าเจโตบีมุดแบบนั้นน ะ, นะมันจะถึงที่สุดของมันหรอกที่สุดทุกข์มันอยู่ตรงไหนถ้าเธอทุกข์ไม่ถึงที่สุดนี่มันไม่เห็นหรอก ทุกปะไจ้ า, จาหัวมันตัวกอดทนเอาวันนี้กับวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกูก็ได้กลับละ ว, วันนี้ข้าวกูก็จะเห็นอาหารดีๆกูกินล้างแคนซะเสียงเงินมาแล้วประมาณเออไม่ได้หรอกอันเนี้ยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังอันเนี้ยเสียเวลามาแล้วนะชีวิตนี้นะไม่ใช่เสียเวลาแต่ตอนนี้นะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอันนี้คือบรรทัดฐานนะสิ่งที่คุณทําวันนี้เนี่ยจะเป็นทิฏฐานุทติสําหรับชีวิตเราจนตายด้วยนะ ถ้าเราแจ้งมันก็ดีไปถ้าไม่แจ้งเนี่ยถ้าเรารู้สักเล็กสัง่งน้อยมันเนี่ยคุณรู้เคล็ดลับของการดับความคิดหน่อยต่อไปเราจะไม่ทุกเพราะความคิดเพราะความคิดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เนี่ยข้อมือดัดขัดเครืองความอะไรเนี่ยชีวิตเราหลุดอยู่เรื่อยเน่ะหลุดกโกรธรูบหลงอยู่เรื่อยมีปัญหานะเราอยากให้ภาพของชีวิตเราเป็นแบบนั้นไหมก็ไม่อยากไม่อยากแล้วทำไมไม่ฝึกฮะ <c oughs> เราจะมาอ้างนั่งนี่จนแก่เนอะจนแก่มันพันแล้วกี่รอบแล้วนี่ยเนี่นี่ อายุหกสิบปีจริงจะปฏิบัติธรรมยาเลยมันมากมันหลายรอบแล้วกิเลสมันหนักมันหนาแล้วธุรกิจมันก็เยอะแล้วอะไรเยอะมากมายคิดว่าจะปล่อยวางได้หรอกิเลสมันปล่อยหรอแต่ก่อนนี่ใดนี่ก็ดูลูกต่อไปก็ได้ดูหล้านน่ะรักลูกนีงไม่เท่าไหร่นะั้นรักหลานนี่มันมากกว่าดินเขาว่าหรอกมันจะมากมายหลากหลายท่านถ้าปล่อยวางได้อย่าสมัยก่อนพระเจ้าไปดินนะ ราชจำพ า, า ก, กษ์เนี่ยพ่อแก่เขาสละพระพราชบัลลังก์แล้วเขาออกบวชสละราชบัลลังก์ออกบวชสละราชบัลลังก์ออกบวชบวชเพื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วสังเกตดูนี่ไปอ่านดูชาดกในพุทธศาสนานะะเขาจะเป็นแบบนั้นนะออกบวชแต่บางคนมวละส่องกระจกดูอา้าวผมงอกไปเส้นหนึ่งแล้วนี่พอเห็นเห็นเส้นผมมันงอกแสดงว่ามันเตือนสติแล้ว ลาบวชทันดีเลยสละราชาบัลลังก์อบวชปฏิบัติธรรมทันดีเลยของเราก็ถึงเวลาสละราชาบัลลังก์แล้วบางทีนะฮะบัลลังก์เรานะรเนี่ยบัลลังก์เล็กๆเดี๋ยวนี้ <c oughs> เงินทองข้าวของอะไรก็ไม่เยอะมากมายหลากหลายแค่ไม่นิดหน่อยปีหนึ่งก็สละราชาบัลลังก์ลองดูดิถ้าตายจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่เราไปเนี่ยสักเจ็ดวันเนี่ยสมมุติว่าตายจากกันแล้วไปฝึกเที่ยมันจะเป็นยังไง อันนี้ขนาดยังไม่ตายจากกันยัคิดมากขนาดนี้จากกันนะ่ะนี่ลองตายดูดิลองสละไปดูดินะทํางานในกับชีวิตแล้วทํางานแล้วมันมีปัญหาขนาดนี้แล้วทําไปทําไมหาเงินแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ชีวิตเนี่ยอิสระก็ยังไม่เป็นเนี่ย ท, ทําไปทําไมต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้จักหาโอกาสให้กับตัวเองฝึกฝนนะตั้งอัวตั้งใจทํา แล้วมันก็ไปได้ฝึกฝืนมันนะเอามาดูตัวนี้นะทีนี้อันถ้ามีสติปัฏฐานเนี่ยมันจะเกิดวิชาสติปัฏฐานพอฝึกมากๆเข้าก็ต้องทำให้มันเข้มเข้มเป็นไปตามหลักของโพดชงเนี่ยโพดชงเจ็ดโพดชะโพธิแปลว่าตัดสรู้อันนี้ องคุณทำอย่างการตัดสู่นะมีเจ็ดอย่างหนึ่งสติเนี่ยก็คือสติประทานเนี่สองธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยคือมีสติแล้วก็สังเกตเนะี่ยสังเกตเละลึกรู้เลลึกรู้เฉยไม่สังเกตก็ไม่ไหนน่สังเกตดูนี่ดูกายดูจิตไปเรื่อยเละลึกรู้ไปเลลรื่อ ย, ลลยลถ้าพูดสติคำเดียวก็ได้หรอกแต่ว่าเราเขาแยกแยะวิิยะ วิริยะหมายถึงเวลาสังเกตในกล้ากล้าผ่านอารมณ์ที่มันยังยากอย่างเดินไปเดินมาที่แรกก็มีอยู่สติเนี่ยแต่มันไม่โตพอไปเจอตัวห่วงเนี่ยออกไม่ได้เลยต้องมีวิรยิยะวิริยะคือกล้าผ่านน่ะวิริยะแปลว่ากล้ากล้าผ่านตัวห่วงให้ได้เวลามันคิดเอาไม่ยอมความคิดเดินอยู่ทางความคิดหลุดให้ได้ไม่ใช่เดินคิดไปเรื่อยๆนะพอผ่านตัวความคิดแล้วก็จะเกิดแต่ตัวนี้ขึ้นมาลนะ่ะเกิดปีติเนี่ย ความเอิบอิ่มใจเนี่ยไปให้มันถึงตัวปีติเนี่ส่วนมากมีแต่สติและเลือกรู้น้อ ย, อยรู้บางไม่รู้บ้างแต่อันนี้มันถ้ามันต่อเนื่องมันก็เป็นอันนี้ทันเดียนะบางคนมีสติแล้วเกิดมีธรรมวิจัยสังเกตไม่ใช่เอาธรรมะมาคิดนะไม่ใช่หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ไม่คิดไม่ใช่สังเกตดูง่วงเนี่ยทำไมมันง่วงป่ะลองดูดิที่แรกมันไม่ง่วงมันง่วงมันมาได้ยังไงบะสังเกต ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจัยคือเฝ้าดูเฝ้าสังเกตสังเกตดูเหมือนวิจัยคือดูต้นไม้นี่มันจะบานได้ยังไงและมันหุบได้ยังไงนะวงจรของมันในห่วงโซ่มันเกิดดับกันยังไงดูไปนั้นอันนี้ก็เหมือนกันดูธรรมะคือดูธรรมชาติที่มันเกิดในใจเรานี้นะเนี่ยพอมันเรารู้เรารู้จุดใดจุดหนึ่งท่านแหไรคล้ายๆว่าวจิตของเรามันมืดอยู่แหวนี้นี่นี่นี่นน พอเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเข้าใจคิดลับเนะี่ยมันเหมือนแสงสว่างจากดวงทิศศาสตร์ส่งเข้ามาในนี้แสงสว่างนูวยเดียวแสงสองแบบเข้ามาในใจเราหน่อยนึงเนี่ยนะมันจะโลง่งๆเคยเป็นไหมพอมันสาสเข้ามามันจะโลง่งได้ลรอกเฮ้ยทำไมมันโลง่งไงความคิดมีเนี่ยมันศะาสสองเข้ามาใจมันมีพื้นที่ว่างให้เนะนี่ยนี่เขาเรียกว่าแสงธรรมเริ่มส่องเข้ามาในใจแล้วมันมีธรรมศาสาสองเข้ามา แค่แค่เรา เ, ออเปิดออกเปิดออกเปิดออกเปิดออกเปิดออกมันก็ไม่หนาออกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเจนมันก็สองออกมาได้นีมันส่องมามันจะโลง่งมันจะโปรง่งแล้วจะเกิดตัวปีติอันนี้ปีติบางคนขนลุกขนพองบางคนโลง่งโปรง่งบางคนเบาเดินกายเบาเดินเบาโอ้ยจิตมันก็เบาหนะ่ะมันโล่งมันโปรง่งนี่ชุ่มฉ่านี่หวัวใจละเกินน่ะเอาไปแล้วทีนี้ติดเครื่องได้ละ ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งแหละสนุกนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนทั้งขานี่เป็นธาตุของความเพลินจนเมื่อไหร่พออารมณ์มันหายแล้วปวดไปหมดเลยอันพาเดินนานอันทำบ่อยๆมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาตัวปีตินี่ตัวปีติปีติแบบนี้แบบวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราลืมตายอยู่นี่ปีติแบบนี้มันจะโล่งจิตมันจะโล่งมันจะโปร่งบางทีมัน มันสว่างมันโปร่งขึ้นมาคือคล้ายๆว่าบางคนนี่เขาเปิดได้อันนี้บางคนเปิดแบบนี้เนาะแสงก็เข้าไปน้อยนึงแต่บางคนมันงัดแบบนี้เลยนี่โปร่งขึ้นมาเอย้าสว่างไปหมดเลยนี่เจียมแจ้โอ๊ยใจกูไม่มีอะไรไมีแต่ผ้าโน่นนี่มันจะโลงไปหมดเลยข้างในเนะ่ะ แทนทำยังไงเราจะงัดฝานี่ออกได้นี่นี่ฝาที่มันมาปิดนี่อุปทานะอุปทานขันมันมาปิดถ้าขันห้าที่มันบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยขันห้าเนี่ยมันบริสุทธิ์นี่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นขันว่างๆใจว่างๆมันเป็นอย่างนี้อยู่พื้นที่นี่แต่ว่างๆแบบนี้ก็ว่างๆแบบมีอุปทานนะนี่อุปทานมันตกอยู่ในใจนี่คือยึดติดอย่างมีความโลภแล่นี่ความโกรธความหลงอยู่ในใจนั่นนี่คือมันสะสมมาแล้วตั้งแต่อดีต ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันสะสมเราจะมาเอาไอ้ทีสิ่งไม่เห็นตัวอันนี้ออกไปแต่อารมณ์โกรธเกลียดขึ้นมาเนี้ยอันนี้มันเป็นของข้างนอกเข้ามาอันนี้มันไม่เท่าไหร่แต่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมัน อ, ออกยากนะจะเจริญสติเพื่อจะทําลายที่อยู่ข้างในนี่ออกเพราะมันเปิดออกมันจะสว่างขึ้นมาดีอ่ะดูนี่มันจะแจ่มแจ้งมาอย่างปฏิบัติ ท, ทําเจริญสติเนี้ยเคลื่อนไหวนี่แค่เกิดปีตินี่ก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งละ แล้วจะเกิดมีความมั่นใจในเรื่องปฏิบัติโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเนาะบางคนก็ปีติน้อยแต่คนปีติพร้อมกับการรู้รูปนามขึ้นมาดันดีเลยนะเกิดความเข้าใจมองอนไรก็ไปโอ้โอัน น, นี้เป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมเกิดจินตยานขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาดันดีเลยความรู้เนะี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดปีติเนีด้วยแต่บางทีก็เกิดแต่ปีติเนีบางทีถ้าเราไปปฏิบัติพองยุบเนี่ยมีแต่ปีติคนบขนบลองลางตาลอะไรมาเลยแต่ปีติมันจะเกิดจาก อันนั้นเมื่เกิดจากการยอมยอมพูดให้ฟังอะไรนั้าวชาติที่แล้วเป็นคนนี้ตายแล้วเป็นเ น, นื้อนี้ตกนรกอะไรประมาณนั้นทาบาปกับพ่อกับแม่ที่ผ่านมาในชาตินี้จึงมาเป็นแบบนี้เขาก็พูดไปทําบาปทํากรรมชาติที่แล้วเป็นแล้วเราก็ร้ามตาไหลอันนั้นมันมันมันเป็นปิติมันมีคนละฐานนั่นนั่นนะ แนี้ปีติอเ น, นี่ยมันเกิดจากการสู้กับตัวห่วงตัวเหงาตัวปุง่งตัวแต่งและตัดพวกนี้ออกไปได้แล้วมันถึงเกิดปีติขึ้นมาปิติมันคนละแบบนั้นตัวปิตินี้มันจึงกลายเป็นเรื่องของปัญญาได้ทันทีเลยอเ น, นี้ยมันเป็นปัญญาปัญญาที่เอาชนะทุกได้ไงปัญญา เ, เอาความม่วงได้มันจะมีกําลังอีกสองสามเท่าเลยนี่พอเราทําได้เนี่ยมันจะขยันเข้ามาเอง น, นะ น่ยไม่สนพระพระพุทธเจ้ามาก็ไม่ได้สนละใครมาก็ไม่สนละจะขยันทําสนุกสนุกสนุกสนุกสนุกก็แปลว่ามักนี่แหละนี่นมักมักแปลว่ามวนเพลินเดินเพลินนะทีนี่เดินเพลินไม่สนใจใครใครจะไปจะมาไม่สนอ่ะมันเพลินมักมักแปลว่าชอบไงคะชอบ ถ้าชอบที่จะความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันต้องสนุกนะน้อต้องเบาเนะี่ยมันปโปรนะ่งเน่ยเดินเนี่ยมันดึงเพลินมันดึงชอบอันนั้นแหละเขาเรียกว่าจิตมันเข้าสู่วิถีมัจจริงๆนะเนี่ยวิถีมัจเนี่ยวิถีมัจก็คือเมื่ออะไรปฏิบัติแล้วสนุกสนุกกับการปฏิบัติทำเนี่ยจเจริญสนิทสนุเดินไปแล้วเพลินสนุก ทุกไม่มีเลย่เนี่ยเนี่ยเขาเดินอยู่ในมรคแล้วเนี่ยเนี่ยมรคมันมีแล้วในใจเนี่ยมันโล่งมันโปร่งเดินไปก็กําหนดรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะมีกิเลสอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาวัดมันมีอยู่สิบตัวที่มันจะโผล่ออกมานี่ความคิดมันไม่มีแต่ไอตัวนั้นที่มันฝังรากลึงในตัวนี้แหละคือจะเกิดปัญหาเนี่ยฟังดีๆนะ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสองสามวันผ่านไปพวกเธอตั้งใจปฏิบัติดีลองตาดูนะแต่ปฏิบัติดีจะไม่รู้ว่าปฏิบัติตรงหรือเปล่าปฏิบัติดีก็คือเดินดีนะั่งดีขยันดีนะแต่มันอาจจะไม่ตรงเขาไม่ตรงคำว่าตรงคือต้องรู้สึกตัวมันต่อเนื่องตรงคือตรงเข้ามาที่ใจเลยลึกรู้ที่ใจนี่นะอุชุปฏิปโนนะเนะืขนะนะยายยออปฏิปโนปฏิบัติเพื่อออกจากความคิด อย่ายนะปฏิบั诺 น, นี่แล้วออกไม่ออกจากความคิดไมยออกจากความปรุงแต่งไม่ถ้าไม่ออกก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกถ้ายังเข้าไปในความคิดอยู่นะปฏิบัติดีสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิบัติตรงๆ ต, ตรงก็คือกําหนดรู้ตรงๆเลยแล้วก็ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกออกจากความคิดได้ไหมแล้วก็สามีจิต ป, ปฏิปันโนนะ สามีกิปฏิปโนปก ะ, ะ, โะกบะโตซาบากาสรังโกไม่ใช่ว่าเอาสง์เป็นสามีนะเนี่ยคนรังค์คือปฏิบัติให้มันสมควรเ น, นี่ปฏิบัติให้มันสมควรถ้ามันไม่สมควรมันก็เข้าถึงทำไม่ได้ถ้าจะยออยเ ย, อ เ, ย, ยเอ้ยตื่นขึ้นมานั่งเหงาเหงางวงๆบ้างไม่เป็นให้หรอกทำให้มันเป็นแล้วหลังจากที่มันเกิดปีติเกิดอะไรเนี่ยจิตมันจะคิดดีอ่ะนะถ้าไม่บอกอันนี้ก็จะติดอารมณ์อีกแหละเนาะ มีเราไปทํานะมันคิดดีคิดดีก็ทิ้งนะอย่าไปติดมันความคิดดีนี่เขาเรียกว่าเทวปฏมานเทวปฏมานมาในรูปแบบของเทวดาในความคิดดีๆอยากชวนคนนั้นอยากชวนคนนี้ชวนพ่อชวนแม่นะโอ้ยใจเราสบายจังโอ้ยของเราก็เกือบเผื่อจะสบายได้ก็เกือบตายไปชวนเข้ามาก็จะไหวเลยนะอย่าไปคิดถึงใครแต่บางที ถ้าเรามีโทรศัพท์คนนั่นก็นโทรมาคนนี้กโ็โทรมาโทรมาอ้างนั่นองนี่โอ้คนตายนะนี่พี่จอตายนะน้องตายนะะไปโน่นไปนี่นะมันจะมารบกวนนะอย่างเมือ่อวานนี้คนหมอคนหนึ่งปฏิบัติทําไป oy, โอ้ยหลตา ม, มีคนโทรมาคนไข้คนไข้ผ่าตัดคนไว้นะพอโทรมาบอกน้ำบอนี่ทําให้จิตเรามันเขวไปอีกเนี่ย สองามสี่วันจิตมันกําลังนิ่งมันจะมีมารมาผจญเหมือนคนจะบวชพระนั่นแหละเป็นนาคเนี่ยเขาก็อยาให้ไปไหนอยู่ในวัดนะพอออกไปข้างนอกนี่เพื่อนหม้ฉลองก่อนบวชหน่อยสิจะลองก่อนบวชหน่อยดิเอาแก้วหนึ่งสองแก้วอยู่นั่นแหละเอาไปมาหัวลาน้ําเข้ามาแล้วก็บวชไม่ได้หรือบางทีก็โอ้ไปฉลองกับอะไรนะ่ะคู่รักคู่อะไรไปเอาไปมาไม่ได้บวชซ้ําเขาถูกแจ้งตารวจ จ, จับจ่อยบางทีนั้นเขาจะล็อกไวในวัด ไม่ให้ไปไหนพวกมันมันจะมาไปจ น, นจปฏิบัติทําได้สามสี่วันพวกเธอเหมือนจะตั้งไข่ได้นะมันจะเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลี้ยงไว้อย่าให้มันออกไปรักษาไว้ทีนี่แล้วมันก็จะเกิดภาวะอันนี้เกิดภาวะอะไรที่เรียกว่ามันคิดดีนี่นะคิดอันนั้นก็ออกคิดอันนี้โอ้ยฟังท่านพูดแล้วก็เข้าใจเนาะอันนั้นเข้าใจนี่เข้าใจมันคิดเรื่องธรรมะธรรมโมหนึ่งแหละหนึ่งคิดเรื่องผู้อื่นอีกแล้วคิดในานางที่ดีนะ นี่เป็นอุปสรรคนะเป็นมารทิ้งไม่ใช่ธรรมะนะอันนี้อย่าไปหลงนะมันจะเริ่มเป็นวิปัสนาอ่อนๆแล้วนะมันจะเริ่มได้อารมณ์โดยเฉพาะถ้าคนได้ปีติแล้วเนี่ยจิตมันอันนี้มันจะมีทั้งทิ้งให้ ไ, ไวๆอันหนึ่งก็คือคิดเรื่องธรรมะเป็นสังขารเป็นปรุงแต่งแต่อันหนึ่งมันคิดเรื่องเป็นกิเลสเนะี่ยกิเลสคือความคิดเนี่ยมันจะคิดดีอแต่มันจะอ้างเมื่อก่อนคิดแต่เรื่องความโลภโกรธหลงเนาะ าาราคะโทสะโมหะแต่ น, นี้ไม่ได้คิดแต่เรื่องดีๆอะ่ะปัญหาวนะน่ะเขาเรียกว่าวิปัสสนูนะอันนี้วิปัสสนุไปกิเลกีเลทฝ่ายดีอย่าให้มันเข้ามายุ่งใจเราตัดมันออกคือทําให้มันสะอาดเนหะมือนน้าเราพุดสะทีแรกน้ําไหลออกมาแต่น้ําสกโปกก็เอาออกน้ําสกโปกออกออ ก, ออกแต่ก่อนไม่มีน้ํามีแต่หินเอาหินออกพอมันก็เป็นน้ําสกโปกเอาน้ําสกโปกออกแล้วก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นเราจะกินน้ําที่มันใสๆทีหลังนั่นแะ เหมือนกันน่ะความคิดชั่วก็ออกความคิดดีก็ออกเอาออกหมดจนกระทั้งว่าเฉยกับจนมเป็นน้ําใสใสโดยธรรมชาตินั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็มีนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะเจ็บแค้ได้ป่วยนะพอมาถึงวันนี้มันจะเจ็บอันนั้นปวดอันนี้โอ๊ยไหวไหมเนาอกูนี่ยังอันนี้เจ็บทัานอยู่นีอันนี้ก็เป็นเป็นขันธ์ธามันเป็นมาร ไปในรูปแบบของความเจ็บความปวดความเมื่อยอย่าไปท้อแท้ใจนะอย่าท้อแท้ใจก็เป็นอย่างนี้แหละยืนสู้ไม่ได้ก็นั่งสู้คือร่างกายนี่มันแค่นี้แต่เราจะเลี้ยงตัวรู้นี้เฉยเฉยเนี่ยมันเจ็บปวดมันก็ต้องทนเอาแ่ะเพื่อจะให้ตัวรู้นี่มันเติบมันจะเริญเติบโตเนี่ยถุงมันจะขาดบ้างเรือมันจะรั่วบ้างแต่ต้องรีบภายเข้าภายเข้าไปเข้าให้นไปถึงฝั่งแต่มัวไปซ่อมเรืออยู่กลางทะเลก็ยุ่งอีกแหละนะอย่าไปสนใจมันเจ็บบ้างปวดบ้างก็ไม่เป็นไร หิวบ้างก็ไม่เป็นไรนี่มันจะมารบกวนนนี่ฝืนเอาวันนี้ดีๆนะวันพรุ่งนี้ลงตาไม่อยู่แล้วนะไปเลยน ะ, นะถ้าจะอยู่ก็อยู่วันนี้แหละใครเป็นอะไรจะบ้าจะเป็นจะบก็วันนี้แหละช่วยกันเต็มที่แหละ ว, วันเนี้ยแล้วอย่างหนึ่งก็คือนะอันหนึ่งออัน น, น, น, น, น, น, นี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องของคนที่ตั้งใจก็คือมันจะเกิดสว่าง เกิดแจ้งเกิดโล่งเกิดโพงมาก็ดีใจอะไอ้ดีใจเนี่ยว่าได้บรรลุทํากูได้บรรลุเลยนี่บอกคนนั่นบอกคนนี้เล่าให้คนนี้ฟังเล่าใคนนั่นฟังประมาณนี้มันดีใจดีใจแล้วก็จะหยุดอยู่กับจับอาการที่มันเป็นนะเนี่ยนะมันโพรงมันโล่งมันตื่นมันอะไรขึ้นมาเฉยเฉยเนี่ยอ่า การการรู้ขึ้นมาแบบนี้นี่บางทีบางคนก็รู้ได้ไกลแล้วก็ทุกข์ก็หมดเลยแต่บางคนใกล้ๆบางคนมันเป็นปีติเฉยๆบางคนมันโลง่งมันโปร่งจิตมันตื่นตัวเฉยๆบางทีนี่ก็มีอย่าไปหลงดีใจมันเกิดอาการอะไรขึ้นก็ตามยันนี้จากความรู้สึกตัวอ้อมเกิดอ น, นี้ขึ้นมาก็รู้สึกตัวไหมนะอย่าไปเพลินกับมันเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้สึกตัวมาดูใหม่ดูจิตใหม่ระลึกดูเฝ้าดูใหม่ระลึกรู้อย่าไปอยู่กับความสุข บางทีมันเกิดความสุขนะหลังจากมันโครงมันโลง่งมันก็จะมีความสุขเดินไปก็มีความสุขจังสบายน้าตาไหลไม่ต้องไปตกใจอะไรรู้สึกเฉยๆนี่กลับมารู้สึกตัวแล้วดูไปประคองกลับมาอยู่ฐานเดิมไอ้เกิดขึ้นก็นรีบกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับกายอยู่บ่อยๆจกนกระทั่งว่าปรากฏการณที่เกิดกับจิตเราเนี่ไม่เมื่อจะเกิดปิติอะไรขึ้นตามมันเป็นธรรมชาติเลยทีนี้เหลือแต่ตัวสมาธิรู้เหลือแต่ตัวสติลแตตตละ อ, อุเบกขาเนี่ ยูกับใจแล้วนะ่ะมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่ไม่ไหลไปกับอาการไนมันไม่ตื่นเต้นกับอะไรแล้วนี่มันปกติแล้วสมาธิมันจะมีแล้วไอ้ตัวสมาธินี่สามารถเห็นอนาะสะวะได้ง่ายขึ้นนะฮั้นอย่าไปดีใจกับอภิสังขารมานอภิสังขารประมาณคือมานที่มาในรูปแบบปีติรูปแบบความสุขรูปแบบอะไรนะญาณความรู้เข้าใจไอ้นั่นเข้าใจไอ้นี่ขึ้นมา น, นั้นก็โอ้มองนั่นก็เข้าใจนี่ก็เข้าใจอะไรขึ้นมานี่ก็อยู่เฉยๆอยู่กับตัวปกติเฉยๆดูมันได้เฉยเนี่ยนะถ้าเราไม่บอกกันเวลาเป็นแล้วก็จะตื่นเต้นอีกละบางคนก็รียกิ้งมาทาไอา้หนูเป็นอะไรนี่จริงมันยังไม่โชว์โชความรู้นะก็ไม่เป็นไรตั้งใจทํากลัวเสียเวลาเวลาเดินมาหาลุงตานึงจะไปพูดยังไงดีวันนี้พอมาแล้วพอกลับไปอีกโอ๊ยหายจ้อยน้กูเสียดายกูได้มาฉะนั้นไม่อยากให้มา อยู่ในนั่นแหละเดี๋ยวเดินไปหาเองแล้วตั้งใจทาเถอะพยายามระลึกรู้ตั้งใจคนไหนนั่งทำได้แล้วก็เดินทำคนไหนเดินทำได้แล้วนั่งทาไม่ได้ก็ลองนั่งดูเดินมากความคิดมันจะออกเยอะแต่ถ้านั่งมากก็จะง่วงฉันก็เอาพอดีนั่งบ้างเดินบ้างสลับกันไปจะได้ก็คิดว่าข้อมูลแค่นี้ที่ทำานี่คิดว่าน่าจะพอนะก็คงจะทวาได้พอจะเข้าใจระดับหนึ่งแหละนะ เอาอนุโมทนานะถวายท่าน